เอาเอาสูตรเกี่ยวกับเรื่องนรกมาแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเอามาขู่อะไรเจตนาจริงไม่ได้คิดว่าจะเอามาขู่เพียงแต่ว่าให้เราได้มองชีวิตระยะยาวๆเราไม่ควรที่จะมองชีวิตแค่วันนี้พรุ่งนี้ปา ร, รินรนี้หรือว่ามองชีวิตกันอยู่แค่ชาตินี้ทําให้เรามองไกลขึ้นถ้าหากว่าเรามองชีวิตในสังสารวัฏได้ไกลขนาดไหนเราก็จะเห็นคุณค่าของการเจริญ สติปฐานเป็นต้นจะเห็นคุณค่าของการเจริญสัมปชัญญะสี่จะเห็นคุณค่าของการเจริญอริยสัจสี่เป็นต้นถ้าหากว่าเรามองชีวิตสั้นๆเราก็จะเป็นคนที่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปปล่อยให้ขณะเช้าผ่านไปขณะสายก็ผ่านไปขณะบ่ายขณะค่ำยามกลางคืนเราก็ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปจาก วินาทีก็เป็นนาทีจากนาทีก็เป็นไล่ๆนาทีจากไลายๆนาทีก็เป็นชั่วโมงจากไลายๆชั่วโมงก็เป็นกลางคืนและกลางวันจากกลางคืนกลางวันก็เป็นสัปดาห์จากไล่ๆสัปดาห์ก็เป็นเดือนจากเดือนก็เป็นฤดูสามฤดูก็นับเป็นหนึ่งปีในรอบสิบปีเขาเรียกว่าทศวรรษนี่เราก็เปลี่ยนผ่านไปในทศวรรษเนี่ยนะหลายๆทศวรรษนี่ก็ล่วงเลยเป็นวัย ชีวิตของหลายท่านก็ผ่านปฐมวัยมาแล้วก็เข้าสู่มัชชิมวัยของอาตมาเนี่ยเข้าสู่มัชชิมวัยแต่หลายท่านเข้าสู่ปชิมวัยวัยสุดท้ายนั้นส่วนใหญ่ขณะวันเวลาเราก็ผ่านให้ล่วงเลยไปคือขณะวันเวลาที่ล่วงเลยไปนั้นเรานึกว่าไม่สูญเสีย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 พันุแต่ละอย่างนะมีหนามทั้งนั้นเลยลูกก็กินไม่ได้คันอีกต่างหากเช่นต้นน้ําเกลียงทางอีสานแค่มีต้นไม้ต้นน้ําเกลี้ยงมีลักษณะคล้ายมะม่วงคนแค่เดินผ่านเฉยๆนะถ้าคนแพ้เนี่ยนะจะออกเป็นตุ่มหมดเกือบเต็มตัวเลยจะมีน้ํําน้าเหลืองไหลๆเลยเครียกว่าต้นน้ําเกลียงคนที่แพ้จะเป็นอย่างนั้นหรือว่าบางคนเนี่ยพระองค์หนึ่งท่านไม่ได้ใส่รองเท้าท่านก็เดิน ตามท้องนาทำ อ, อะไรเนี่ยไปเหยียบไอ้ต้นน้ําเกลียงเข้ามันก็บาดพอมันบาดเนี่ยเป็นแผลเป็นน้องมันก็เป็นอย่างนั้นงนั้นคนส่วนใหญ่ที่เพาะปลูกบุญเพาะปลูกบาป ท, ทางไหนบ้างโยมทางกายทางวาจาและทางใจทั้งกต่เกิดมานับคําพูดได้ไหมยเยอะเนาะแเฉลีย่ยเฉลี่ยนี่คิดว่าประมาณวันละกี่คําวันหนึ่งก็พูดหลายคําเนาะ ถ้าของธรรมานี้พูดมากเลยทนะั้งวันหนึ่งผมไม่นับคำได้นับชั่วโมงและแสดงว่าพูดมากเพราะฉะคำพูดแต่ละคำของเราเนี่ยพูดด้วยยังไงก็ด้วยชาวนะจิตใช่ไหมชาวนะของผู้ที่เป็นปุตุชนนั้นก็เป็นไปกับกุศลและอกุศลเจตนาที่เกิดร่วมกับชาวนะไม่ไร้ายผลแน่แต่ถ้าหากว่าเจตนาในชาวนะเลยเนี่ยนะ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 ก็ยังตามมาให้ผลบางครั้งก็ป่วยบางครั้งก็ไม่สบายกรรมเหล่านั้นที่ในอดีตก็ยังตามมาให้ผลแด่พระผู้มีพระภาคกรรมบางอย่างก็ยังตามมาให้ผลแก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นคนมีโรคลมแล้วก็พระอีกร้ายองค์ที่ป่วยทั้งๆที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วแล้วอีกบางคนเนี่ยนะคือถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็อีกประมาณเจ็ดชาติอากุศลวิบากสา ม, มารถที่จะให้ผลได้อีกเจ็ดชาติ แต่ถ้าเป็นพระสกท า, าคามีก็ชาติสองชาติถ้าเป็นพระอนาคามีเนี่ยอกุสลวิบากจะให้ผลได้น้อยเต็มทีเพราะท่านไปเกิดในพรมชั้นสุดทาวาดส่วนปู่ตูชนทั้งหลายไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรรับรองแม่แต่อย่างเดียวว่าเราจะสุขไปอีกสักกี่วันจะมีให้อิ่มไปอีกกี่มือ้อเราก็ไม่รู้จะมีให้เห็นไปอีกกี่ครั้งรู้ไหมจะได้ใช้ตาของเราไปอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปี จะใช้หูไปอีกกี่ครั้งคิดว่าจะได้ยินเสียงไปอีกกี่ครั้งนะคุณบัญชูหูไม่ค่อยดีอะเนาะเล่นงานเรื่อยอะ่ะเนี่ยเป็นโทษของวตตดังั้นเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้หาความมั่นคงถาวรไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวเชื่อไม่ได้ครบไม่ได้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าขันห้าเหมือนกับเพชรฆาตมันจองล้างจองผลานไม่รู้ว่าใครผลานใครก็ไม่รู้เนาะ แต่รู้ว่ากรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเราไม่ควรประมาทในเรื่องกรรมไม่ควรประมาทในกุศลอกุศลที่เป็นไปในชีวิตประจำวันแล้วก็ที่สำคัญมากก็คือไม่ควรประมาทไม่ควรประมาทในทวารตาที่เราเห็นไม่ควรประมาทในทวารหูที่เราได้ยินไม่ควรประมาทในทวารจมูกที่เรารู้กลิ่นไม่ควรประมาทในทวารลิ้นที่เรารู้รส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 เป็นชื่อของปัญญาสัมมาทิฏฐิหรือปริญญาก็ได้ไม่ผิดหรอกทันถ้าหากว่ามีการพิจารณาบ่อยๆด้วยอำนาจของปัญญาถ้าปัญญานี้ขึ้นต้นด้วยกรรมมัสกตาปัญญาเมื่อเห็นแล้วไม่พิจารณาเนี่ยนะจะมีโทษอย่างไรลองฟังเทวทษสูตรดูเนาะข้อความในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตข้อห้าร้อยสี่ว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินติกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรเรียกพิสูทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายพิกสูเหล่านั้นก็ทูลรับพระดํารัสแล้วช่วงอ่านต่อไปนะจะอ่านแบบคละเคล้ากับอัตรกระถาด้วยเพราะฉะนั้นเอ๊ะทำไมท่านอ่านอ่านยังไงเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนอะอาจะไม่อ่านตามพยัญชนะทั้งหมด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 กำลังอุบัติแปลว่าปฏิสนธิที่เลวก็คือพบที่ไม่ดีอนะประณีตก็คือพบที่ดีมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามงามกับไม่งามนั่นเองได้ดีตกยากด้วยทิพจักสุขอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุขของมนุษย์อันพระองค์เนี่ยมองเห็นเหมือนกับคนที่นั่งข้ามกลางหรืออีกในหนึ่งก็เหมือนกับตำรวจจราจรใช่ไหมรถไปทิศไหนทิศไหนก็นั่งมองเห็นเลย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 เป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในหมู่มนุษย์ก็มีใช่ไหมวันหนึ่งนี่โอ้มนุษย์ในโลกนี่ก็คลอดเจอะกันนะผลของกรรมดีนะที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหมโรงพยาบาลแต่ละหลายร้อโรงเนี่ยก็เดี๋ยวก็มีอุ้มเด็กออกมาล้วอันส่วนหนึ่งก็มาจากผลของบุญเนาะฉ ท, ที่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือเป็นร่องรอยแห่งบุญเป็นตราแห่งบุญ แม้แต่เราเองก็เป็นตราของบุญเอาอีกไหมจากย้อนรอยหรือเปล่ามันก็ให้รู้ว่าหน้าภูมิใจเหมือนกันนาะเรานี่ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากนะเป็นผลของบุญเน่ะแสดงว่าชาติที่แล้วทำกรรมดีไว้แน่เราก็ไม่ได้บาปบริสุทธ์อะไรเนาะทำกรรมดีเอ้หลายท่านก็ตระกูลสูงด้วยก็แสดงว่าบุญประเภทอ่อนน้อมด้วยบางคนก็ฐานะดีก็แสดงว่าเป็นผู้มากในทาน บางคนก็มีผิวพรรณดีเป็นต้นก็แสดงว่าไม่ค่อยโกรธแสดงว่าทำกรรมมาตั้งร้ายอย่างที่ดีๆสัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตความชั่วทางกายวาจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปปฏิเสธบุญคุณของพ่อแม่ปฏิเสธผีสางเทวดาทุกอย่างปฏิเสธแม้กระทั่ง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 สัตว์ผู้กาลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายญาทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วก็เข้าถึงกําเนิดสัตว์เดรชานก็มีเดรฉานคือหมูหมากาไก่มดปลวกมแมลงทั้งหลายนั่นแหละโอ้แต่ที่บ้านผู้การเนี่ยนะคือที่บ้านมัไม่ใช้ยาใช่ไหมอหอยเนี่ยเยอะจริงๆเลยเดินนี่ยถ้าไม่ระวังเดี๋ยวก็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 เป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิกรรมที่เป็นมิจฉาทิฐิก็คือพวกอกิริยาทิฏฐิปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปนั่นแหละเมื่อตายไปแล้วก็เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกก็มีอันนี้พระองค์เอาสัพพัญยุตยานของพระองค์นะมาตรวจสอบตรวจสเช็กด้วยและพระผู้มีพระภาคนั้นทรงได้อภิน ญ, ญาจิตหรือจุติและปฏิสนธิของสัตว์ก็เรียกว่าใช้ อภิญญาจิตประเภทจูตูปปาตยานด้วยกรมมูปฆ า, านด้วยพิจารณาเล็งเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะจับสัตว์นั้นที่ส่วนต่างๆของแขนไปก็คือจับสัตว์ที่ทำชั่วนะที่ไปป้วนเปี้ยนแถวนรกอะ่ะไปแสดงแกพญายมว่าข้าแต่พระองค์บุรุษผู้นี้ไม่ปฏิบัติชอบในมารดา ไม่ปฏิบัติชอบในสมัมเนไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์คือคําว่าสมณนพราหมณ์นั้นเป็นนิมิตของผู้มีศีลมีธรรมนั่นเองผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติชอบเวรางั้นไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลขอพระองค์จงลงอาทยาแก่บุรุษนั้นเถิดก็คือเขาชั่วสมควรที่จะลงโทษเว่างั้นทีนี้คําว่านายนิเรียบานเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนยังไงเหมือนกับผู้คุมนรกนั่นแหละ ก็คือคนทำงานในนรกก็เหมือนกับคุกตารางก็เหมือนกับคนที่ทำงานในในห้องขังนั่นเองทีนี้คำว่าพยายมนี่ได้แก่ใครนายนริยาบาลจับสัตว์นรกไปหาพยายมท่านท่านอะไรบ้าพยายมก็คือพระราชาเวมานิกเเรศเป็นเปรศชนิดหนึ่งในบรรดาเปรศสิบสองจำพวกที่ท่านเป็นพยายมเนี่ย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 แต่เป็นคนที่ไปคอยถามถามว่าใครทําบุญมาบ้างอย่างเงี้พยพญายมเนี่ยในนรกแต่ละคุมนั้นมีอยู่สี่ประตูด้วยกันอันในแต่ละประตูก็มีพญายมอยู่คนหนึ่งอันนรกหนึ่งขุมก็เท่ากับพญายมสี่ท่านนรกนี่มีกี่ขุมร้อยกว่าขุมอ่ะฟังไว้ก่อนนะไม่มีธุระก็ไม่เป็นไรหรอกว่าเขาจับมาแล้วนะว่าพวกนี้เนี่ยเป็นคนชั่วว่างั้นเถอะทีนี้เขามีคําถามว่า สัตว์ที่ที่ถูกจับไปเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ชนิดไหนฟังกันสัตว์นรกที่จับไปนะก็คือสัตว์นรกที่ประเภทกรรมชั่วไม่หนักมากเกินไปแต่ถ้าชั่วสมบูรณ์แบบเลยไม่ต้องผ่านตำนักพยายมนะก็เหมือนกับคนที่ถ้าผิดร้ายแรงจริงๆเนี่ยนะสารเนี่ยแทบไม่ต้องสักฟอกอะไรเลยเข้าคุกอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าโทษมันไม่มากนะักก็มาค่อยไต่ถามหาคุณงามความดีมีดีอะไรบ้างพอที่จะ ให้ระลึกถึงความดีจะได้ปฏิสนธิในสวรรค์ได้พญายมไม่ใช่สั่งให้ไปเกิดในสวรรค์นะแต่ให้สัตว์นั้นๆเนี่ยระลึกถึงความดีของเขาอะ่ะเขาทําดีอะไรไว้บ้างเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายไปตามกรรมใช่ไหมไม่ใช่พญายมเสกให้นะเออฉันจะเสกให้แกตกนรกฉันจะเป่าให้แกขึ้นสวรรค์นี่ไม่ใช่หน้าที่ของพญายมพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายพญายมจะปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่หนึ่ง สัตว์นั้นว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูต ท, ที่หนึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นก็ทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าค่ะเทวทูตก็คือเป็นทูตของเทวดานั่นแหละเขาว่างนั้นพญายมก็ถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเด็กแดงๆนอนแบเบาะเปื้อนโมดเปื้อนโคดเปื้อนอุจจาระของตนในหมู่มนุษย์หรือเคยเห็นเด็ก น, น้อยไหม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 หรือว่าตอนเห็นเด็กเกิดเนี่ยไม่คิดอย่างนี้โอ้ได้ล้านแล้วคิดตรงเข้ากันหมดเลยว่ามันด้นึกถึงเราเลยนะไม่เหงาแล้วต่อไปเราได้ลูกได้ล้านแล้วสัตว์นั้นก็ทูลอย่างนี้ว่าข้าพระเจ้าไม่อาจเจ้าข่ามัวประมาทเสียเจ้าข่านะมัวแต่เพลินนะ่ะประมาทก็คือเพลิดเพลินในตามาคุณท่านั่นแหละพญโยมก็เลยกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสีย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 นั้นท่านเท่านั้นจกักเสวยวิบากของกรรมนั้นเอง น, น, นี่ก็คือเพราะกรรมเหล่านี้เนี่ยนะพ่อแม่ญาติพี่น้องมิตรอมาตไม่มีใครทําให้ท่านสักคนเลยอ่ะแต่ท่านทํากรรมใช่ไหมทั้งๆ ท, งที่เทวทูตที่หนึ่งก็ไปเตือนท่านแล้วอ่าเขาเตือนว่าอย่างไงก็บอกว่าปัธมังเทวทูดังสมนุยุนชิตวาความว่ากุมาหนุ่มย่อมกล่าวอย่างนี้โดยเนื้อความว่าผู้เจริญจงดูเรา นนเด็กเขาเหมือนกับเด็กเขาบอกเราอ่ะนะว่าผู้จเริ่มดูเราแม้เราก็มีมือและเท้าเหมือนพวกท่านแต่เราเกลือกกลั้วอยู่ในมูดและคูดของตนจมอยู่ในอุจจาระปัสสาวะไม่อาจเพื่อจะลุกขึ้นอาบน้ําตามธรรมดาของตนได้เราเป็นผู้มีกายสกปรกแล้วก็ไม่อาจเพื่อจะบอกว่าอาบน้ําให้เราเรานีเชื่อว่าเป็นเช่นนี้เพราะไม่พ้นจากความเกิดแต่ก็ไม่ใช่เราเท่านั้นแม้ท่านทั้งหลาย ก็ยังไม่พ้นจากความเกิดคระายก็เด็กก็ถามว่าท่านพ้นแบบข้าพเจ้าหรือยังเหมือนกันความเกิดจากมาถึงแม้แก่ท่านทั้งหลายเหมือนเราเพราะฉะนั้นท่านจงทําความดีไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดนั้นด้วยประการชนีเพรอเหตุนั้นกลุมมานหนุ่มนั้นจึงชื่อว่าเทวทูตเด็กเขาก็เตือนเราอ่ะนะกระชายก็บอกเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็คล้ายๆท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านอ่ะจะต้องเกิดอีกนะเมื่อท่านจะต้องเกิดเนี่ยท่านเตรียมสเสบียงอะไรมาหรือยังเหมือนกัน ท่านทําคุณงามความดีทําบุญกุศลอะไรบ้างหรื อ, อยังนี่ก็เทวทูตที่หนึ่งเตือนแต่ว่ า, าสัตว์นรกเหล่านี้ก็จำไม่ได้เห็นแต่ก็คิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดไรไม่ออกสักอย่างเลยนะก็เลยทําแต่ความชั่วไปทีนี้เทวทูตที่สองว่า ง, งาั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายพยายมนั้นครั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจไตาถามถึงเทวทูตที่หนึ่งกัตริย์นั้นแล้วจึงปลอบโยนเอาอกเอาใจ ไตาถามเทวทูตที่สองว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่สองปรากฏในหมู่มนุษย์หรือเห็นเทวทูตที่สองไหสัตว์นั้นก็ทูลอย่างนี้ว่าข้าพระเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าค่ะพญาโยมเนี่ยถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายมีอายุแปดสิบปีเก้าสิบปีหรือร้อยปีนับแต่เกิดมาผู้แก่ผู้เฒ่านะ เสี่โครงคดหลังงอถือไม้เท้างกเงินเดินกระสับกระสายล่วงวัยหนุ่มสาวฟันหักผมหงอกหนังย่นศีารษาล้านเหี่ยวตัวตกกระในหมู่มนุษย์หรือเคยเห็นผู้เท่าไหมพักกันผู้เท่าเขาก็เป็นเทวทูตอ่าผู้เท่านั้นเขาเป็นเทวทูตเขาเป็นทูตเตือนว่ายังไงอาสัตว์ผู้แก่เท่าชื่อว่าย่อมกล่าวอย่างนี้โดยเนื้อความนี้ว่านะอาการที่เขาเท่าชาราเนี่ย เขาก็เตือนเราโดยตัวของเขาเองนะว่าพวกท่านจงดูแม้เราก็เคยเป็นหนุ่มสมบูรณ์ด้วยกำลังขากำลังแขนและว่องไวเหมือนท่านสมัยก่อนข้าพเจ้าก็เหมือนท่านนั่นแหละความถึงพร้อมด้วยกำลังและความว่องไวของเรานั้นหมดไปเสียแล้วแม้มือและเท้าของเราก็มีอยู่ทำกิจ ด, ด้วยมือและเท้าก็ไม่ได้มีมือก็เมือนไม่มีนะ เรานี่ชื่อว่าเป็นเช่นนั้นเพราะไม่พ้นไปจากชราไม่ใช่แต่เราเท่านั้นแม้ท่านทั้งหลายก็ไม่พ้นไปจากชราความชรานี่จักมาแก่ท่านทั้งหลายเหมือนเราเมื่อก่อนเราก็เป็นหนุ่มสาวเหมือนท่านนั่นแหละแต่ว่าอีกไม่นานเดี๋ยวท่านก็จะเป็นเหมือนเราว่างอนนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทำความดีไว้ก่อนแต่ชรานั้นจะมาถึงก่อนด้วยประการชนีดเหตุนั้นสัตว์แก่เท่านั้นจึงชื่อว่าเป็นเทวทูต เขาเตือนเราเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราหรอกเพียงแต่เตือนเราว่าอย่าประมาทนะก็มีโยมรู้จักโยกคนนึงอายุประมาณเก้าสิบพอประมาณเก้าสิบไปแล้วเนี่ยถ้าให้ทานอาหารนะก็บอกว่ายังไม่ได้ทานเขาให้กินข้าวก็บอกว่ายังไม่ได้กินบ่นจุกจิกมากไปอันคนสูงอายุนี่เขาบอกว่าเป็นวัยที่สูญเสียสูญเสียทุกอย่างเลยใช่ไหมสูญเสียอะไรบ้าง กำลังวางชาก็หายไปอวัยวะทุกส่วนของร่างกายนะไล่ไปเถอะมีแต่เสียไปหมดเลยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตอนหลังก็เสียไปหมดผมก็เปลี่ยนไปผิวหนังก็เปลี่ยนไปซ้ายตาก็เปลี่ยนไปหูก็เปลี่ยนไปทางคำใช้คําว่าอินทรีย์เนี่ยถึงความชราอินทรียารูปภาษาทรูปจะขู่ภาษาท่าก็เสื่อมไป โสตประสาธาคะนภาษาธาชิวหาภาษาธะกายาภาษาธะก็เสื่อมไปเมื่อภาษาธาโรคเสื่อมไปจิตซึ่งอาศัยวัตถุรูปซึ่งเก่าค้ำค่ามันก็ไม่ค่อยมีคุณภาพเขาบอกว่าจิตนี้เป็นนามธรรมาแต่ถ้าหากว่ารูปไม่ดีนะกจิตก็ไม่ผ่องสายด้วยก็เหมือนกับแสงแห่งไฟอ่ะแสงแห่งปฏิป ตะเกียงก็เป็นตะเกียงที่ซ่อมซ่อน้ามันก็ส ก, กปรกเลเอะเทอะไส้ก็เป็นไส้ที่ไม่สะอาดเวลาจุดแล้วก็ความสว่างนั้นก็ไม่สว่างดีฉันได้ร่างกายของสัตว์ทั้งหลายถ้าหากว่าประสาทรูปแต่ละอย่างสูญเสียไปสภาพจิตหรือมโนวิญญาณก็ไม่ค่อยมีความฉลาดฉันความหลงความลืมเป็นต้นก็กชักจะหมดไปด้วยพญายมก็เลยถามว่าเห็นหรือเปล่าสัตว์นั้นก็ทูลว่าเห็นเจ้าค่ะ พยาายมถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านนั้นรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความดำริมีความคิดอย่างนี้ไหมว่าแม้ตัวเราแลกก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นก็ทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าไม่ได้คิดเลยแบงนั้น มีย่ามียายแก่เหมือนกันแต่ก็ไมไ่เคยคิดอย่างนี้เลยอย่างไีนะของเราอย่าไปคืออย่าให้มันไปสายขนาดนั้นเลยนะไปเจอพญายมแล้วพึงนึกคำตอบนี้ได้อย่าไปถึงขนาดนั้นเลยรีบคิดเอาไว้ตั้งแต่วันนี้เถอะพญายมกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียเหล่านายนริยบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้ว ท่านประมาทขนาดไหนเขาก็จะลงโทษตามสมควรแก่การกระทำของท่านนั่นแหละก็บา ป, ปรกรรมนี้นั่นแหลไม่ใช่มารดาทำให้ท่านไม่ใช่บิดาทำให้ไม่ใช่พี่น้องชายไม่ใช่พี่น้องหญิงไม่ใช่มิตรอมาตยตาิสาโลหิตไม่ใช่สมณะพรามทำให้ท่านแล้วก็เทวดาก็ไม่ได้มาทำให้ด้วยนะยไปโทษเทวดาไม่ได้อันบาปทั้งหมดท่านนั่นแหละตัวท่านนะทาเองเข้าไว้เพราะฉะนั้นท่านจากเสวยวิบากแห่งกรรมนั้น เทวทูตที่สองเนี่ยวันนี้โยมโยมาจารย์เกตุดาเล่าให้ฟังไ ม, ไม่ไม่แนวนี้เลยอ่ะ <c oughs> คนละอย่างเนาะบอกว่าความคิดแบบลวกๆอย่างหนึ่งความคิดแบบทางธรรมก็อย่างหนึ่งเอาเอาไว้เผื่อทั้งสองทางเลยเนาะประโยชน์โลกนี้ก็ไม่เสียประโยชน์โลกหน้าก็ไม่ไม่หายนะแล้วก็ไม่ประมาทประโยชน์อย่างยิ่งคือนิพพานด้วยเนาะดูความพิสูจน์ทั้งหลายพยาโยมนั้นคลั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจ ไต่าถามถึงเทวทูตที่สองกษัตริย์นั้นแล้วจึงปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่าถามถึงเทวทูตที่สามว่าดูก่อนพ่อมหาเจมเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่สามปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นก็ทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าค่าสัตว์นี้ก็ไม่ฉลาดเลยนะอะไรท่านอ่างั้นยังไม่ถามก่อนนะเอ๊ะเทวทูตที่สามมันคืออะไรก่อนใช่ไหมจะได้บอกอันนี้รีบตอบเลยไม่เห็นไม่เห็นจะได้ผิดน้อยๆใช่ไหมคนตัวหนึ่งบางทีรีบปฏิเสธเลยนะ เพื่อที่จะได้ผิดน้อยนให้หน่อ ย, อ ย, อยพยายมก็เลยถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมาหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นหญิงเห็นชายผู้ป่วยทนทุกข์เป็นไข้หนักนอนเปื้อนคูดมูดของตนมีคนคอยพยุงลุกพยุงเดินในหมู่มนุษย์หรือใครไม่เคยเข้าโรงพยาบาลบ้าง <c oughs> เข้าวันลารอบเลยเนาะ <c oughs> แสดงว่าเห็นบ่อยมาก <c oughs> เ, ออเห็นเจ้าข้าเหมงอนกัน พยาลมถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจําเริญท่านนั้นรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความดําเด็จดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแลมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้ควรที่เราจะทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจก็บอกว่าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียที่จริงคนเจ็บป่วยนั้นเขาก็เป็นเทวทูตเขาก็คอยตักเตือนเราว่า สัตผู้เจ็บไข้เนี่ยกล่าวอย่างนี้โดยเนื้อความว่าผู้เจริญพวกท่านจงดูแม่เราก็เป็นผู้ไม่มีโรคเหมือนท่านเรานั้นบัดนี้ถูกพยาธิความเจ็บไข้ครอบงำเกลือกอยู่ในมูดและคูดของตนแม่ไม่อาจจะเพื่อที่จะลุกขึ้นแม้มือและเท้าของเรามีอยู่ทำกิจ ด, ด้วยมือและเท้าไม่ได้เราเป็นเช่นนี้เพราะไม่พ้นจากพยาธิคือความเจ็บไข้ ทางพระนี่เขาบอกว่าโรคประมาณเก้าสิบหกโรคกันนะโรคใหญ่ใหญ่เนี่ยโหมากมายไม่ใช่แต่เราเท่านั้นแม้ท่านทั้งหลายก็ไม่พ้นจากพยาธิพยาธิจักมาถึงแม้แก่ท่านทั้งหลายเหมือนเราท่านจงดูท่านจงทําความดีไว้ก่อนแต่พยาธิจะไม่มาถึงรีบทําคุณงามความดีไว้นะไม่ใช่ป่วยแล้วค่อยคิดได้อ่ะยอมลับคน ท, ที่ที่รู้จักกันนะเต็มทีแล้วอะ่ะเจอพาแล้วก็โอ้ ไม่รู้จะทําอะไรได้อะนะเราก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็จะให้ไปแสดงธรรมให้คนอายุมากแล้วฟังว่างั้นป้ายจะตายแล้วก็บอกว่าถามเขาก่อนว่าเขาเคยฟังธรรมไหมเขาตั้งแต่เกิดมาก็บอกไม่เคยเลยอ่ะเราเนี่ยโอ้ยไม่นิมนเราก็ดีแล้วไม่รู้จะไปสวดคาถาบทไหนกัไม่พูดไม่ออกแนมะ่เพราะถ้าหากว่าเขาไม่มีจิตใจฝักฝ่ายด้านนี้ไว้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าพระจะไปเตือนสติได้อย่างไร อย่างในน้อยที่สุดให้เขาสมาทานศีลบางคนไม่เห็นคุณค่าของศีลอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวไม่รู้จะไปให้เขาสมาทานได้อย่างไรมันว น, น้าสลดสังเวชใจแล้วก็คนที่เป็นลักษณะนี้ก็ไม่ใช่คนสองคนด้วยนะแทบทั่วโลกเป็นลักษณะนั้นเป็นคนที่เรียกว่ากำพร้าทางจิตใจนะจิตใจนั้นหาความสงบร่มเย็นหาที่พึ่งไม่ได้เรียกว่างอยอยังไงบอกไม่ถูกนเนาะว้าเหวยังไงก็ไม่รู้ อันความคิดที่ที่ไม่มีเกาะไม่มีที่พึ่งความคิดที่ไม่เป็นไปกับกุศลจะเป็นความคิดในลักษณะนั้นแหะหาความสุขค่อนข้างยากมันแบบโทมนัสลึกๆอันโทสะนี่มีหลายระดับนะโทสะที่เกิดในระดับเหงาวพวกเนี้นะส่วนใหญ่ถามว่าพอใจในสภาพแบบนั้นไหมถ้าไม่พอใจในสภาพแบบนั้นอันนั้นก็เป็นลักษณะของโทสะอย่างหนึ่งเหมือนกัน เงาหงอยเหมือนกับคิดถึงใครสักคนแล้วไม่ได้เจอเลยอะไรเงี้ยนะเครียดอะไรเงี้ยนั้นกิเลสผู้เพศนั้นเป็นสายโทศศเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษควรเจริญไหมไม่ควรเจริญเนาะสาธุต่อไปอย่าไปปล่ยความคิดแบบนั้นให้มันเกิดเนอะถ้าเราศึกษาพระธรรมเข้าใจจริงๆนะเราจะไม่มีเวลาว่างเลยไม่มีเวลาเหงาด้วยรู้สึกว่าเวลา24ชั่วโมงมันจะน้อยไป พิจารณาคาร์ทพุหัสุขสาวาทิศโอ้วนวไมันเร็วจังกันไม่รู้ใหม่ใหม่แรกๆเลยเวลานี่มันช้าตอนหลังเวลานี่มันเร็วแล้วเกิดจะทําะไรนั่นอ้าเวลานี่เข้ามาใหม่อีกแล้วสลับยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยดูจะน้อยไปเหมือนกันแต่ทํามากกันนั้นอีกก็แย่เหมือนกันนะ้นเวลาเพราะฉะนั้นเวลานั้นถ้าหากว่าเราเจริญกุศลอยู่นะเวลานี่จะเร็วมากแต่ถ้าเราทําอกุศลอยู่นะเวลามันจะช้าจริงๆ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่เห็นผู้ที่เจ็บไข้ล้วก็สา ม, มารถที่จะพิจารณาได้แต่ว่าผู้ที่ประมาทเห็นคนเจ็บไข้กไไ็ไม่ได้ไม่ได้พิจารณาอะไรเลยเพราะกมัวประมาทปล่อยใจเพลิดเพลินไปในรูปเสียงเป็นต้นนั่นเองพญโยมก็กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทําความดีทางกายทางวาจาทางใจไว้เพราะกมวประมาทเสีย เหล่านายนิเรบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปรกรรมนี้นั่นแลไม่ใช่มารดาบิดาทําให้ท่านไม่ใช่พี่ชายไม่ใช่พี่สาวน้องสาวไม่ใช่มิตรอมาตญาติสาโลหิตไม่ใช่สมณะพรมณไม่ใช่เทวดาทําให้ท่านตัวท่านเองทําเข้าไว้เพราะฉะนั้นท่านนั้นจักเสเวยวิบาบแห่งต่ำนั้นบุญบาปเนี่ยไม่มีใครทําแทนใครได้เนาะถ้าทําบุญบาปแทนกันได้นะทานข้าวเผื่อกันได้แล้วมันี่ แต่ว่าบุญบาปเนี่ยทำแทนกันไม่ได้ถ้าหากว่าบุญบาปเป็นสิ่งที่ทำแทนกันได้จกมีคนที่เขาสมาทานเพื่อที่จะทำบุญแทนคนทั้งหลายคนประเภทนั้นก็คือคนประเภทเรียกว่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นอุดมการปณิธานของท่านตั้งไว้ว่าจะช่วยให้คนอื่นเนี่ยพ้นจากวัฏทุกข์เพราะฉะนั้นท่านต้องบำเพ็ญบารมีตั้งมากมายมหาศาล แต่ว่าท่านบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะช่วยคนมีบุญนะทีนี้ถ้าหากว่าบุญกุศลเหล่านั้นเนี่ยมันทำแทนกันได้นะท่านทำเผื่อเราเรียบร้อยเบ็ดเสร็จหมดแล้วแต่มันทำแทนกันไม่ได้เหมือนกับอาหารเนี่ยทานแทนกันไม่ได้คิดดีๆแทนกันได้ไหมไม่ได้บุญก็คือกุศล ก, ก, ก็คือความคิดแต่ศึกษาพระธรรมเข้าใจอย่างนี้เสร็จแล้วไม่ใช่รีบไปควานหาเสือบุญใหญ่เลยนะ บุญนี้ซื้อได้ไหมบุญอยู่ที่ไหนบางคนเนี่ยเข้าใจผิดพลาดนะโอ้ถ้าเสียสตังค์เยอะก็บุญมากด้วยเข้าใจผิดอีกเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ซื้อหาได้อ่าไม่ใช่ว่าแลกด้วยอัพยากระตะทอย่างไรอย่างหนึ่งเหมือนกับการซื้อการขายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์นั้นถึงของนั้นจะมีมากขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่ได้ทําให้บุญมากอะไรแต่ว่าของน้อยก็ไม่ได้ทําให้บุญ ลดน้อยแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นบุญจริงๆก็อยู่ที่สภาพของของจิตซึ่งมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่เืินไม่มีดวงใดที่เกิดพร้อมกันทั้งสามสิบแปดวงแต่ก็พูดแบบรวมๆ ว, ว่ามหากุศลนั้นมีเจตสิกประกอบสามสิบแปดดวงมันมีการยักย้ายถ่ายเทตามสมควรแต่ว่ากุศลดวงหนึ่งไม่เกินสามสิบหกดวงแต่หมายถึงในโสดาปติมัคนะ สามสิบหกดวงแต่ถ้าจิตธรรมดานี่จะต่ํากว่านั้นไปวีรตีกับอัปมัญญาเนี่ยเกิดเป็นครั้งคราวปัญญาก็เกิดเป็นครั้งคราวเพราะฉะนั้นเจตสิก ค, คือวีรตีสามอปมัญญาสองปัญญาหนึ่งเนี่ยนะเจตสิกหกดวงนี้ไม่ได้เกิดแน่นอนถ้าได้ปัจจัยเขาก็เกิดเช่นปัญญานะถ้าเป็นไปกับเรื่องกรรมเป็นต้นเขาจึงจะเกิดถ้าไม่เป็นไปกับเรื่องนี้ปัญญาเจตสิกจะไม่เกิด วิรตีเจตสิกต้องเป็นไปกับศีลเขาจึงจะเกิดถ้าไม่เป็นไปกับศีลเขาไม่เกิดกรุณากับมุทิตานั้นต้องมีอารมณ์ที่น่าสงสารกรุณาจึงจะเกิดมุทิตาต้องมีคนที่ได้ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมุทิตาจึงจะเกิดเพราะฉะนั้นไอ้เจตสิกหกดวงนั้นเขาเรียกว่าเป็นอานิยตเจตสิกเป็นเจตสิกที่เกิดเป็นครั้งคราวไม่แน่นอนอันส่วนทั่วไปนั้นที่เหลือก็จะเกิดแต่ถ้าหากว่า กุศลนั้นเป็นอุเบกขาปีติก็ไม่ไม่เกิดปีติก็ไม่เกิดมันก็ค่อยๆหักไปตามนั้นไปแต่ถ้าพูดแบบรวมๆก็สามสิบแปดดวงเรียนเรื่องเทวทูตก็อย่าลืมพรพิธรรมแล้ล่ะมีฉัยไปมาไอ้มเป็นยังไงกันแน่นะถ้าหากว่าเราสงเคราะห์ทั้งพระพิธรรมทั้งพระสูตรลงมาไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็ก็ไม่เป็นไรนะศึกษาต่อไปไม่เลิกสักวันหนึ่งก็ได้นะเนาะ เพราะว่าบาปรกรรมนี่ไม่มีใครทําแทนกันได้เนาะบุญก็ไม่มีใครทําแทนกันเพราะฉะนั้นทําอย่างไ ร, รกุศลและจิตจริงจะเกิดนั้นคนที่สา ม, มารถทําให้จิตเป็นกุศลได้คนนั้นแหละเรียกว่าคนฉลาดหรือเป็นคนที่ไม่ไม่ประมาทผองบอกว่าคนที่ประมาทเหมือนกับคนตายแล้วอย่าให้ศพมันเดินไปเดินมาเปล่าๆนะนั่นวันๆน่ะดูก่รที่สูทั้งหลายพ ย, ายมครั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่สาม กะสัต์นั้นแล้จึงปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่สีว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่สี่ปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นก็ทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าค่ะพญโยมก็ถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นพระราชาทั้งหลายในหมู่มนุษย์จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงกรรมกรต่างชนิดมั่งหรือเขาลงกรรมกรอย่างไรเช่นโบยด้วยแท่ เคยเห็นคนถูกเครียดไหมไม่เคยเห็นเคยแต่ถูกเครียดอย่างนี้ป่ะทำไมเด็กๆในวันไหนไม่ถูกเครียดเนี่ยโอ้พิเศษแล้วถ้เกิดเป็นพ่อเป็นแม่นั้นมีลูกแบบนี้เนี่ยโอ้หกุ้มใจน่าดูงั้นนะถูกบวยด้วยแฟ่บ้างถูกเครียดด้วยหวายบ้างแล้วก็ถูกตีด้วยตะบองฟันบ้างถ้าหากว่าบางประเทศเนี่ยเขาเอาขนาดนี้เลยคุณหมอยุพินเอาอสมอมาถวายวันก่อนเขาบอกว่า สมอลูกนี้นะถ้าเป็นโบราณนะไข่เนี่ยไปเก็บลูกหนึ่งเนี่ยถูกเคียนห้าครั้งเขาบอกงั้นถูกตีห้าทีสมอลูกนะเขาบ่ามีต้นต้นอายุประมาณร้อยปีแล้วในในเชียงใหม่เราเนี่ยแต่ต้นตรงไหนเนี่ยไม่ได้ถามแต่เป็นสมอที่กรอบก็ไม่น่าแนละ้วลูกอาา่ะหัดเคียนหครั้งอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ก็สงสัยหมอยูพินไม่ถูกเคียนนะเอามาถาวายั้งหลายลูกอ่ะ ถ้าหากว่าผู้ที่มีความผิดนะในสมัยก่อนเนี่ยมีแต่เคี่ยนมีแต่โบยมีแต่ตีเนี่ยหัวจนสลบอ่ะสลบแล้วทำไงรู้ไหมเอาน้ํามารดเคี่ยนใหม่นะให้มันครบตามที่กําหนดไหมแล้วเวลาเคี่ยนเวลาตีนะก็บางทีเรียกคนให้มาดูด้วยนะไม่ใช่เคี่ยนธรรมดานะเอาคนมาดูด้วยจะได้ประจานอ่ะนะบางทีถ้าโจรสมัยก่อนบางทีเนี่ยสักหัวประจานเลยนะโกนแล้วก็สักนําหายนี่เป็นยี่ห้อโจร น, นะสมัยก่อนเนี่ยกฎหมายเนี่ยรุนแรงเพราะว่าปกครองโดยกษัตริย์ กฎหมายก็คือกษัตริย์นั่นเองกษัตริย์พูดคําไหนนั่นแหละคือกฎหมายเหมือนกันหรือบางทีก็สั่งตัดมือบ้างสั่งตัดเท้าบ้างต่างประเทศทุกวันนี้ยังมีนะลักษณะการตัดมือตัดเท้าตัดทั้งมือทั้งเท้าหรือบางทีก็ตัดจมูกตัดหูตัดทั้งหูตัดทั้งจมูกก็มีการทําอยู่อย่างประเทศทางตะวันออกกลางก็เขาก็มีการลงโทษที่ที่รุนแรงมากถ้าไปขโมยของใช้มือขโมยก็ตัดแขน มีการตัดแขนตัดขาจริงๆเลยนะถ้าหากว่าผิดคู่ครองเป็นต้นเนี่ยนี่ลงโทษแรงมากเขาบอกว่าถ้าหากว่าในประเทศนั้นเนะ่ยถ้าเป็นคนชั้นสูงเขานะสมมติได้หญิงสาวเนี่ยเป็นคนชั้นสูงไปแอบรักคนต่างประเทศเนี่ยถูกฆ่าทิ้งเลยนะฆ่าทิ้งโดยที่ไม่ผิดกฎหมายด้วยอันลูกสาวถ้าทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถฆ่าทิ้งโดยที่ไม่ผิดกฎหมายด้วยหรือว่าหมอกเขี่ยวน้ำส้ม หม้อเคี้ยวน้ำส้มนี่ก็คือพวกนี้ก็ประเภทนะ่ะเจาะกระโหลกอ่ะนะขอดสังก็คือกระดูกขัดมานะ่ะเอากระดูกมาขัดให้มันเหมือนสังอะ่ะปากราหูปากราหูก็คือเอาเหล็กแดงๆเนี่ยยัดเข้าไปในปากแบบเป็นๆนั่นแหละมารายไฟมารายไฟก็คือเอาผ้ามาชุบอะ่ะชุบน้ามันแล้วก็จุดเหมือนฮนุมานอะ่ะใครฟังรามเกียรติบ้างรามาเกียรติฮานุมานบอกว่าถ้าอยากฆ่าข้าพเจ้านะ ให้ท่านเอาผ้ามาพันพันตัวข้าพเจ้าชุบน้ำมันแล้วจุดไฟเผาเลยหนุมานเขาแนะนำอย่างนั้นเสร็จแล้วหนุมานเนี่ยแกล้งใไหมเสร็จแล้วก็ไปเผากรุงลังกาแต่อันนี้เนี่ยเอาน้ำมันมาชุบตัวเสร็จแล้วก็เผาอย่างเงียเรียกว่ามาลายไฟส่วนคบมือนั้นก็คือเอาผ้ามาพันแขนผ้าพันแขนเสร็จแล้วก็จุดให้มันสว่างตลอดส่วนริ้วสายริ้วสายก็คือ นุ่งหนังช้างเป็นต้นเนี่ยนะหมายความว่าถลกหนังมันนุ่งอะ่ะก็เหมือนกับเอาศพมาพิสูจน์ใช่ไหมถลกหนังออกแต่นี้ให้ถลกหนังตัวเองนั่นแหละมันนุ่งเชกว่านุ่งเปลือกไม้หรือว่าริ้วสายหรือยืนกวางก็คือยืนแบบกวางที่สมมติว่านายพรานนี่เขาเอาไปฆ่ากวางได้ตัวในชะ่ไหมเขาก็จะมัดเอาไว้ตรงกลางเสร็จแล้วก็จุดไฟรอบให้มันสุกโดยรอบอะนะ อันนี้ก็เหมือนกันค่อยๆลนไฟรอบๆให้มันสุกเข้าข้างในหมดเลยเขาก็มีวิธีการลงโทษที่รุนแรงมากสมัยก่อนหรือบางทีก็เกี่ยวเยือเบ็ดก็คือเอาเบ็ดนี่นะโยนเข้าไปถูกก็ก็ดึงกระชากออกมากระชากถูกเนื้อเนื้อก็หลุดกระชากถูกหนังหนังก็ขาดกระชากถูกส่วนไหนก็หลุดไปตามนั้นแหละหรือเหรียนกระสาบเหรียนกระสาบก็คือปาดเนื้อออกทีละชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นเหมือนกับนางมาคันธยา พระเจ้าอูเทนเนี่ยสั่งให้ปาดเนื้อแล้วก็ตั้งกระทะทอดทอดเสร็จให้กินไม่กินก็ยัดเข้าปากนั่นแหละเคี้ยวไม่เคี้ยวไม่รู้ยัดเข้าปากแต่แก็ปาดเนื้อใหม่ไปทอดอีกครั้งก็ทําอยู่อย่างนี้จนตายตายก็ยังไม่พอนะโอคือพนางมาคันธยาเนี่ยมีความผิดร้ายแรงมากสั่งให้คนเนี่ยไปเผาพระอริยะตายห้าร้อยอ่ะกรรมเนี่ยก็สมควรกับการกระทําบางทีก็แปลงแสบแปลงแสบก็คือ เอาแปลงแปลงทองแดงแปลงลวดเนี่ยนะมาขัดอะ่ะขัดไปทิ้งโขวักหมึ่งเข้าไปเนอะเลือดนี่ไหลาอาบเลยเนะไม่อยากนึกกันนะหรือกลางเวียนกลางเวียนนี่ก็คือวนลิ่มกลางเวียนก็คือไงเอาให้นอนคว่าลงะ่ะไหมนอนตะแคงเสรแล้วเอาเหล็กยาวๆนี่ยมาตอกลงไปแล้วก็ให้หมุนเหมือนนาฬิกาอันนี้น เ, เรียกว่ากลางเวียนส่วนตั้งฟาง ต่างฟังนั้นท่านอธิบายว่าเป็นการ น, นี่นึกคาอธิบายไม่ออกเลยส่วนไอ้ข้อยี่สามเนี่ยชัดนะนะราดด้วยน้ำมันเดือเดอเวลาทอดอะไรสักอย่างหนึ่งนะน้ํามันมากระเด็นมาถูกก็หยดสองหยดนี่ก็แสบแต่ทีนี้ถ้าหากว่าน้ํามันเดือเดอเนี่ยนะแล้วมาตักอาบเหมือนน้เนี้่จะว่าไงรดไปตรงไหนพองตรงนั้นเลยเนาะหรือว่าให้สุนัขทึ้งก็คือทัดให้สุนัขเนี่ยมันกินสักเป็นๆ เ, เ, เนี่ยนะ แต่แล้วเอาตัวแบบตัวใหญ่ๆพันตัวใหญ่ๆเลยก็ให้มันกินทั้งคนเนี่ยหรือว่าให้นอนหงายบนหลาวทั้งที่เป็นๆที่จริงก็ตัวอย่างนะก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนนะเขามีเอาไม้เสตดาหรือว่าไม้ตะเคียนอันหนึ่งเนี่ยมาลับแล้วก็เสียบทวานอ่ะเหมือนกับเสียบมแมลงปองั้นน่ะทิ้งไว้ไม่ตายนะโอ้โหบางคนเนี่ยอยู่ได้เป็นครึ่งเดือนอ่ะ มันค่อยเน่าไปเรื่อยตายไปเรื่อยเสียบประจานพูดได้กินข้าวได้แต่ไม่ตายไปอยู่อย่างนั้นแหละก็เสียบถาวรโอ้ร่างหลายวัน่กว่าจะตายหรือว่าตัดด้วยเอาดาบมาตัดหัวบ้างนะเคยเห็นเขาลงโทษแบบนี้ไหมถ้าเป็นลงโทษแบบสมัยใหม่นะนอย่างตำรวจบางท้องที่เนี่ยสอบสวนผู้ร้ายก็ด้วยการเลี้ยงจระเข้ย่างไงบอกหรือไม่บอกเออไม่บอกก็ไม่เป็นไรไปอยู่กับจระเข้ก็แล้วกัน มีการลงโทษถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโหผู้ต้องขังบางคนเนี่ยนะอ้วมไปทั้งตัวเลยแหละเคยเห็นไ้ยในลักษณะนั้นเน่ะถ้าสมัยนี้ไม่ต้องเอาแบบนั้นนะเคยเห็นรถมันชนกันไหมแขนขาขาดเนี่ยกรล่องกระเล่งมาเนี่ยเคยเห็นไหมพญายมถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านนั้นรู้ความมีสติผู้ใหญ่แล้วมีความคิดอย่างนี้ไหม จำเริญละเป็นอันว่าสัตว์ที่ทำกรรมอันลามกไว้นั้นน่นนะย่อมถูกลงกรรมกรต่างชนิดเห็นปานนี้ในปัจจุบันจะป่วยกล่าวไปใยถึงชาติหน้าขนาดเขาทำชั่วแค่ในชาตินี้เขายังทุกทรมานขนาดนี้แล้วชาติหน้าต่อๆไปเขาจะทุกข์ขนาดไหนควรที่จะพยายามกระทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจ ควรที่จะรีบทําบุญทํากุศลไว้โหขนาดกรรมในชาตินี้มันให้ผลยังเจ็บแสบปวดร้อนขนาดนี้ถ้าหากว่าไปเกิดในชาติต่อๆไปกรรมเหล่านั้นมันให้ผลจะไปสนุกอะไรเนาะเพราะฉะนั้นที่จริงเขาก็เขาเตือนเนี่ยนะเขาเตือนว่าในฝ่ายกรรมกรสามสิบสองก่อนย่อมกล่าวอย่างนี้โดยอธิว่าพวกเราเมื่อบังเกิดย่อมไม่บังเกิดที่ต้นไม้หรือแผ่นดินการลงโทษเนี่ยเขาลงโทษแผ่นดินไหม หรือว่าลงโทษต้นไม้ไม่เนอ ะ, ะย่อมบังเกิดในสรีระของคนเช่นท่านด้วยประการชนี้เวลาเขาเคียนเนี่ยเาไม่ได้เขียนต้นไม้ใช่ไหมเคียนคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจงทําความดีไว้ก่อนเราเกิดเพราะเหตุนั้นกรรมกรเหล่านั้นจึงชื่อว่าเทวทูตแม้ผู้ลงโทษย่อมกล่าวอย่างนี้โดยอธิษาว่าพวกเราเจ้าหน้าที่ลงโทษอ่ะนะพวกเราเมื่อจะลงกรรมกรสามสิบสองอย่าง ไม่ได้ลงที่ต้นไม้แต่ที่เคี่ยนหรือฆ่าตัดเป็นต้นไม่ใช่ตัดต้นไม้ย่อมลงในสัตว์อย่างพวกท่านนี่แหละด้วยประการชนี้พวกท่านจงทําความดีก่อนที่เราจะลงโทษมันรีบทําบุญทํากุศลไว้เถอะทันผลกรรมประเภทเนี้ไม่ใช่ว่าจะพ้นนะอย่างอย่างบางประเทศเนี่ยโหถูกทุบ ถ, ถูกตีถูกเคี่ยนถูกเตะถูกต่อยถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะแบบคนที่เที่ยวงานประเภทคล้ายคลากับงานวัดอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวเนี่ยนะโหถูกรุมสกรรมเนี่ยโยม คนละไม้คนละมือคนละตบคนละตับเข้าไปเนี่ยหน่วงไปทั้งตัวแหละตางตายนั่แหละเขาเนี่ยเกือบตายเลยก็มีแต่ทีนี้ทุกวันเนี่ยนะไม่ต้องให้ใครมาซ้อมเนี่ยมันก์ตายมันซ้อมเองอะ่ะอันนั้นนมมายโคมไปเนี่ยหน้าบิดปากเบี้ยวจมูกแว่งเลยแหละไม่ต้องใครลงโทษแล้วเพราะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าปาถทะนะแต่สัตว์ส่วนใหญ่พอเห็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรา สบายเลยยิ้มแย้เลยนะแล้วก็ไม่ใช่เราอะ่ะไม่ใช่ลูกเราอะ่ะทางอีสานก็บอกว่าถ้าจะซื้อรถเครื่องให้ลูกกคันหนึ่งนะเตรียมเื้อลงไว้ด้วยสักอันหนึ่งอนะ่างเงี้ยคือคือหมายว่านิสัยลูกที่ไม่ค่อยดีอ่ะนะรัลักษณะบิด้านนะเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์อยู่ทางนี้เนี่ยท้ายซอยเนี่ยได้ยินหมดเลยอะ่ะหัวซอยท้ายซอยนีย่ดังเลยอะ่ะบิดมาทิงแป้เนี่ยขับนี่มีแต่ร้อยขึ้นไปอะ่ะร้อยสองร้อยบางทีไปไปเร่งเตียให้มันสูงขึ้นอะ่ะนั่นก็ประมาท พอประมาทเสร็จแล้วนะบางคนเนี่ยพี่การพี่การเสร็จใครเลี้ยงพ่อแม่นั่นแหละพญายมก็กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมาหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีก็คือหมายถึงตายไปแล้วนะชีวิตหลังตายไปแล้วบอกว่าทางกายทางวาจาทางใจไว้เพราะประมาทเสียเหล่านายรัฐบาลจักลงโทษ ด, ด้วยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนั้นแลไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องชายพี่น้องหญิงมิตรอมาก ญาสาโลหิตสมณะพรามไม่ใช่เทวดานี่ทําให้ท่านตัวท่านเองทําเข้าไว้เพราะฉะนั้นท่านจากักเสวยวิบากของกรรมอันนี้ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายพยายมครั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่าถามถึงเทวทูตที่สี่กษัตริย์ลันแล้วจึงปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่าถามถึงเทวทูตที่ห้าว่าดูกนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่ห้าปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นบอกไม่เคยเห็นเลยเจ้าค่ะทําทอะไรอยู่เนาะไม่เคยเห็นเลย พยายมก็ถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจําเริญท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายที่ตายแล้ววันหนึ่งหรือสองวันหรือสามวันขึ้นพองเขียวช้ำ ม, มีน้ําเหลืองเยิ้มในหมู่มนุษย์เห็นปะวันที่โรงงานลํยาไยระเบิดตึมกันมานะเก็บเนื้อได้ต่างหลายกระสอบนะยองกันเราว่ามาแย่งเนื้อกันต้งตัวจดีเอ็นเอหรือปะแย่งสอบอ่ะที <c oughs> ่เคยเห็นไหมแบบนั้นอ่ะเห็นนีทุกวันเนอะแต่ก็ไม่ใช่เราอ่ะเลยไม่คิดอะไรใช่ไหม พยายมถามอย่างนี้แล้วก็กล่าวว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านนั้นรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความดําเร็จดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแลก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ควรที่เราจะทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นก็บอกไม่อาเจ้าข้ า, าว่าไงโมแต่ประมาจอยู่แต่จริงคนตายนั้นก็เป็นเทวทูตนะเนี่ยเขาเตือนว่า ปัญจมังเทวทูตังความว่าสัตว์ผู้ตายแล้วย่อมกล่าวอย่างนี้โดยอัตถาว่าผู้เจริญพวกท่านจงดูเราที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าผีดิบถึงความเป็นผู้ขึ้นอืดเป็นต้นคุณมูโชตอนที่อยู่โรงพยาบาลเห็นแล้วคิดยังไงบ้างตอนนั้นเดินผ่านก็เดินผ่านทุกวันเลยครับคิดไงบ้างไม่ได้คิดเลยไม่เป็นไรเนาะเพราะฉะนั้นสัตว์ผู้ตายนั้นจึงชื่อว่าเทวทูต ถามว่าใครนี่ได้ประโยชน์ของเทวทูตนี้ใครไม่ได้ใครเนี่ยได้รับคําถามแบบนี้บอกว่าผู้ใดทํากรรมมากผู้นั้นไปเกิดในโนรกเลยชั่วมากก็ไม่ต้องผ่านตำหนักพยาย ม, มังงั้นแต่ผู้ใดทำบาปกรรมนิดหนึ่งนิดหน่อยอนะผู้นั้นย่อมได้ก็เหมือนกับว่าบางคนเนี่ยต้องผ่านการสืบสวนก่อนบางคนไม่ต้องสอบสวนเลยอ่ะกล่าวต่อไปว่า พยาโยมกล่าวอย่างนี้ดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทําความดีทางกายทางวาจาทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายิรียาบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปรกรรมนี้นั่นแหละไม่ใช่มารดาทําให้ท่านไม่ใช่บิดาทําให้ท่านพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตญาติสาโลหิตสมณะพราหมณ์ไม่ใช่เทวดาตัวท่านเองทําเข้าไว้ท่านเท่านั้นจักสเสวยวิบากของบาปรกรรมอันนี้ ดูความพิสูจน์ทั้งหลายพยายมครั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่ห้ากษัตริย์เหล่านั้นแล้วก็นิ่งอยู่สังเวชใจ้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมจริงๆที่จริงเขาก็เพื่อที่จะดักถามคือตรงนี้นะข้อความในอัตถิถาท่านอนธะิบายดีเปิดดูหน้าสองร้อยห้านะนับลงประมาณสี่ห้าบรรทัดอนะก็ผู้มีบา ป, ปรกรรมนิดหนึ่งคือคนที่ทําบาปไม่มากอ่ะนะย่อมระลึกได้ตามธรรมดาของตน แม้ถูกเขาให้ระลึกก็ระลึกได้ในข้อนั้นมีธมินชื่อว่าทีฆะธันตักทีฆะนี่แปลว่ายาวทันตานี่แปลว่าฟันชาวธมินคนหนึ่งในฟันยาวอะ่ะระลึกได้ตามธรรมดาของตนได้ยินว่าธมินนั้นเขาเอาผ้าสีแดงบูชาอากาศเจดีย์ในสุมาณคีรีวิหารครั้งนั้นเขาเกิดใกล้อุตสทนรกได้ยินเสียงเปลวไฟระลึกถึงผ้าที่ตนบูชาไว้จึงไปบังเกิดใน สวรรค์พอระลึกถึงความดีปั๊บจุติทันทีเลยปฏิสนธิในภพใหม่ได้กรรมนิมิตอ่ะนะอีกคนหนึ่งเนี่ยถวายผ้าเนื้อหยาบแก่พิสุหนุ่มผู้เป็นบุตรวางไว้ใกล้เท้าในเวลาใกล้ตายเขาถือนิมิตในเสียงปะตปะปตะแม้เขาเกิดใกล้อุตศะนรกก็ระลึกถึงผ้านั้นเพราะเสียงเปลวไฟจึงไปบังเกิดบนสวรรค์ปฏิสนธิทันทีเลยครั้เดี๋ยวนั่นแหละเขาระลึกถึงกุศลตามธรรมดาของตนก่อนอย่างนี้ จึงบังเกิดบนสวรรค์แต่เม hmm. ื่อระลึกถึงตามธรรมดาของตนไม่ได้จึงถามเทวทูตทั้งห้าในเทวทูตทั้งห้านั้นบางคนระลึกได้ด้วยเทวทูตที่หนึ่งได้เหตุสังเวทอย่างใดอย่างหนึ่งทําบุญนะนะบางคนระลึกได้ด้วยเทวทูตที่สองเป็นต้นคือบางคนที่สองที่สามที่สี่หรือที่ห้าส่วนผู้ใดย่อมระลึกไม่ได้ด้วยเทวทูตทั้งห้าพยาลมให้ผู้นั้นระลึกได้เองได้ยินว่าอมาตคนหนึ่งบูชามหาเจดีย์ด้วย หม้อดอกมะลิแล้วก็ได้ให้ส่วนบุญแก่พญายมทําบุญเสร็จก็อุทิศให้พญายมด้วยนายนเรียบาลก็นําอำมาตผู้เกิดในนรกเพราะอากุศลกรรมไปหาพญายมเมื่ออมาตนั้นระลึกไม่ได้ด้วยเทวโทูตทั้งห้าพญายมก็ตรวจดูเองเห็นแล้วให้ระลึกว่าท่านบูชามหาเจดีย์ด้วยหม้อดอกมะลิแล้วแผ่ส่วนบุญให้เราไม่ใช่หรือเขาระลึกได้ในเวลานั้นแล้วก็ไปสู่เทวโลก แต่ว่าพยายมแม้ตรวจดูเองก็ไม่เห็นดํมเบว่าสัตว์ผู้นี้จักสเสวยทุกใหญ่จึงนิ่งเสียคือเห็นแล้วนี่ตกนรกง่ายๆเลยนะช่วยไม่ได้แล้วยๆสามเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะช่วยเลยอะ่ะเยียวยาไม่ได้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเหล่านายนิริยาบาลจะให้สัตว์นั้นกระทาเหตุชื่อว่าการจองจำห้าประการจองจำห้าประการก็คือตรึงตะปูเหล็กแดงที่มือข้างที่หนึ่งก็คือ เอาไปติดข้างฝาใช่ไหมก็เอามือข้างขวาเนี่ยแปะที่นั้นก็ตะปูตอกเข้าไปข้างที่สองก็ตอกเข้าไปเท้าข้างที่หนึ่งก็ตอกลงไปข้างที่สองก็ตอกลงไปแล้วก็ตอกสวง อ, อกตรงกลางสัตว์นั้นจะสเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบากปรกรรมยังไม่สิ้นสุดทรมานแท้ให้เข็ดเลยนะเข็ดหรือเ่ามาดูดูความพิสูจน์ทั้งหลาย เหล่านายนเรียาบาลจะจับสัตว์นั้นอ่ะเขิงผืดแล้วเอาผึงถกักดึงๆนั่แล้วก็ถากถากถากถากมันไม่ได้เหมือนถากไมน้นะแล้วก็จะจับสัตว์นั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วก็ถากด้วยพระก็เหมือนกับเคยเห็นเขาเอาสมมติว่าไปตลาดเนื้อนะเขาจะเอาขาวัวใช่ไหมแขวนขึ้นแล้วก็ถากลงนะอันนี้แต่ไม่ใช่เนื้อวัวนะเป็นสัตว์อะ จะเอาสัตว์นั้นเทียมรถแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่มีไฟติดทั่วลุกโผลงโทษช่วงโอ้ยอย่าว่าแผ่นดินที่มีไฟไหม้เลยอนะของน้ำมาเนี่ยอมีครั้งที่แล้วเนี่ยกลับจากเชียงใหม่เนี่ยเข้าไปที่กรุงเทพทีนี้เดินไปขึ้นรถเมล์นี่มันกลางวันเที่ยงพอดีเลยโอ้โหเดินบนปูนที่มันร้อนๆ อ, นอะ่ะพอดีเลยโอย้ถ้าเดินอีกชั่วโมงหนึ่งเท้าฝุกแน่นอนเลยมันร้อนน่าดูเหมือนทีนี้บางบางครั้งเนี่ยนะ ไปเดินในทรายที่มันร้อนๆเนี่ยโอเท้านี่สุกเลยเนี่ยพอระยะหนึ่งเนี่ยมันพองข้างในหมดเลยเดินเนี่ยเหมือนกับคนมีแผลเดินอ่ะเต็มเท้างั้นนะจ๊ะทีนี้สัตว์นรกนี่ก็เหมือนกันอนะของเรานี่มันเล็กน้อยแบบงั้นแต่ในนรกเนี่ยมันเรียกว่าไม่ได้อยู่ก็นึกภาพไม่ออกกันเนาะงานนิเวบาลจะให้สัตว์นั้นอ่ะปีนขึ้นปีนลงซึ่งภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่มีไฟติดทั่วลุกโผลงโชตช่วง จะจับสัตว์นั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วก็พุ่งลงไปในหม้อทองแดงไม่สนุกกันเนาะถูกต้มหม้อทองแดงที่มีไฟติดทั่วลุกพลงชดช่วงสัตว์นั้นจะเดือดพล่านเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้นเหมือนกับทางภาคกลางก็ต้มเปรดอะ่ะต้มเปรตก็คือต้มน้าร้อนให้มันเดือดใช่ไหมเอาปลาไหลเป็นๆเนี่ยหย่อนลงมาอะ่ะไม่เป็นปลาไหลบ้างก็แล้วไปเนาะ เขาเมื่อเดือดเป็นฟองอยู่ก็จะพล่านขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งพล่านลงข้างล่างครั้งหนึ่งพล่านไปด้านขวางครั้งหนึ่งจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในหม้อทองแดงนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบา ป, ปรกรรมยังไม่สิ้นสุดไม่ตายง่ายๆนะคือพูดถึงตรงนี้นะเขาบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นจริงหรือเปล่าวะงั้นนะเขาบอกว่าถ้าอยู่ในบางประเทศบางท้องถิน่นมันเป็นลักษณะนี้แหละไม่ต้องไปตกนรกหรอก บางทีก็ถูกต้มนั่นกับเป็นๆนั่นแหละเป็นมนุษย์เป็นๆเนี่ก็เอาเขาต้มเหมือนกันนะแต่นี้ว่าบางคนเนี่ยอยู่ในโลกที่มันแคบๆไม่ได้มองรอบกว้างๆบางทีกบเขียดก็เหมือนกันเนีางทีเขาก็ต้มแบบเป็นๆนั่นแหละนั้นถ้าไปเกิดเป็นกบเป็นเขียดนี่ก็ลําบากเหมือนกันอันนี้ที่ว่าไปนี้มันยังไม่เท่าไหร่นะแต่นี้มาดูมหานรกดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเหล่านายนริบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกก็มหานรกนั้น ฟังคำอธิบายก่อนว่ามหานรกได้แก่อะไรมหานิรเยได้แก่อเวจีมหานรกถามว่าอเวจีมหานรกนั้นอ่ะประมาณภายในเท่าไหร่ตอบว่าแผ่นดินโลหะมันเป็นแผ่นดินแต่ว่าเป็นเหล็กหลังคาโลหะโดยยาวและโดยกว้างประมาณเก้าร้อยยอดยอดหนึ่งก็ประมาณสิบหกกิโลเมตรคูณเข้าไปฝาข้างหนึ่งหนึ่งประมาณแปดสิบเอ็ดยอดเปเลวไฟนั้นตั้งขึ้นในทิศบูรพา แล้วก็จดฝาด้านทิศประจิมทะลุฝานั้นไปข้างหน้าร้อยยอดไฟนี่มันพุ่งจากทิศหนึ่งไปอีกทิศหนึ่งเหมือนกับไฟที่เขาตัดแก๊สอย่างนั้นน่ะแม้ในทิศที่เหลือก็ในนี้แหละด้วยประการชนิดโดยส่วนยาวและส่วนกว้างโดยที่สุดของเปลวไฟมีประมาณสามร้อยสิบแปดยอแต่โดยรอบๆมีประมาณเก้าร้อยห้าสิบสี่ยอดโดยรอบกับอุตสทานนรกประมาณหมื่นยอดทีนี้มันยังมีนรกบริวารรอบข้างไปอีกแต่ว่าเขาเรียกว่าชั้นแกนกลางของนรก เขาบอกว่าบทว่าอุพตังตาที่สะเมวโหตินี้ความว่าไม่สามารถจะยกเท้าที่เหยียบจนถึงกระดูกให้มั่นคงได้ก็ในบทนี้มีอธิบายดังนี้ว่าถูกเผาไหม้ทั้งข้างบนข้างล่างด้วยประการชนิดในเวลาเหยียบปรากฏถูกเปลวไฟเผาไหม้ในเวลายกขึ้นก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวอย่างนี้บทว่าพระสัมปัตโตก็อยู่อย่างนี้อยู่หลายแสนปี ถ้าเมื่อวานนะเมื่อวานที่วัดจะได้หลวงกล่าวถึงเรื่องของพระแต่มีใบอนะ่ะพระเตมีใบท่านระลึกชาติได้ว่าท่านเป็นพระราชาอยู่ยี่สิบปีตกนรกอยู่แปดหมื่นปีบวกลบคูณหารแล้วก็โหใยญ่มากถามว่าเพราะเหตุไรนรกนั้นจึงชื่อว่าอเวจีตอบว่าท่านเรียกว่าระหว่างระหว่างหาคลื่นก็คือมันไม่มีระหว่างนั่นเองในนรกนั้น ไม่มีระหว่างของเปลวไฟของสัตว์หรือของทุกขหาช่องว่างของความทุกขไม่มีเลยและหาช่องว่างว่าศัตว์เนี่ยไม่ได้มันเอะอะจัดเยียดอยู่ในนั้นเหรเนาะโอ้มันก็อายุยืนยาวขนาดนั้นมันก็ตายไปทีละคนสอคนไปเรื่มก็ไปเอะอะเนาะเพราะฉะนั้นนรกนั้นจึงชื่อว่าอาเวจีเปลวไฟนั้นตั้งขึ้นแต่ด้านทิศตะวันออกของนรกนั้นก็พุ่งไปร้อยโยอดทะลุฟา้าข้างหนา้าร้อยโยอดแม้ในทิศที่เหลือก็ในยะเดียวกัน โอมาได้ตรงนี้ได้เจอหลวงพ่อเราด้วยนะหลวงพ่อเทวทัตยอยู่ตรงนี้แหละบอกว่าพระเทวทัตเนี่เกิดในถ้ำกลางเปลวไฟทั้งหกเหล่านี้เทวทัตมีอัตรภาพประมาณร้อยโยต์โอ้ตัวใหญ่มากเท้าทั้งสองเนี่ยเข้าไปสู่แผ่นดินนะโลหะแต่ว่าเป็นแผ่นเหล็กอนะจมไปจนถึงข้อเท้ามือทั้งสองก็เข้าไปสู่ฝาโลหะถึงข้อมือมันจมลงไปในแผ่นเหล็กนั่นเลยนะ แผ่นเหล็กนี่มันเชื่อมติดประสานไว้เรียบร้อยหมดศีรษะอันนี้ก็จดหลังคาโลหะถึงกระดูกคิว้วหัวนี่มันจมไปถึงคิ้วเลยนะกระดิกไม่ได้เลยแล้วก็หลาโลหะอันหนึ่งก็เข้าไปโดยส่วนล่างทะลุกายไปจดหลังคานะก็คือเหมือนกับเสียบประดุกหลาออกจากฝาด้านทิศประจีนคือตะวันออกก็ทะลุหัวใจผ่าด้านทิศประจิมนะเหล็กข้างที่ตะวันออกก็ทะลุมาทางทิศตะวันตก หลาวออกจากฝาด้านทิศอุดรคือทิศเหนือเนี่ยนะทะลุซี่โครงไปจดฝาด้านทิศทักษิณคือทิศใต้พระเทวทัพนี้เป็นเช่นนั้นเพราะผลกรรมที่ว่าพระเทวทัพหมกไหม้อยู่เพราะผิดในพระตถาคตผู้ไม่หวันไหวไปไ ป, ไ ป, ไปทํากับพระอรหันต์เข้าด้วยประการชนินรกเน้นจึงชื่อว่าอเวจีเพราะเปเลวไฟเนี่ยไม่หยุดยั้งพุ่งอยู่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นก็บอกว่าความร้อนเนี่ย กายภาษาธาตมีอยู่ส่วนเท่าใดร้อนเท่านั้นเน่ยเขาบอกว่าเจ็บทั่วทุกขุมขนเลยนะมีส่วนไหนที่ไม่เจ็บไม่มีเจ็บแต่ก็ทนได้นะไม่ทนก็ต้องทนอะ่ะและภายในนรกนั้นในที่ประมาณร้อยโยตสัตว์เนี่ยยัดเยียดกันเหมือนแป้งที่เขายัดไว้ในธ น, นัลเขาบอกว่าเหมือนดีบุกอย่างนั้นแหละในที่นี้เราไปนับไม่ได้ว่าสัตว์เนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนับไปเถอะนับไม่ไหว เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเมื่อเดินยืนนั่งหรือนอนก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่มันก็ยัดเยียดอยู่ในนั้นแต่ไม่กระทบกระเทือนกันนะมันโอ้โหมันก็เหมือนกับคนไม่มีร่างนั่นนะมันก็เดินทะลุ ก, กันได้แต่ก็จะคิดว่าสนุกนะความร้อนเนี่ยทุกข์ขนเลยเชื่อว่าเวจีพระสัตว์ทั้งหลายยัดเยียดกันอย่างนี้แล้วว่าในส่วนกายทะวานจิตสหรคตด้วยอุเบกขาหกดวงย่อมเกิดขึ้นดวงหนึ่งสหรคตด้วยทุก ก็คือทางกายทวารนะนึกถึงวิธีว่าปัญจทวาราวชนะจะเกิดก่อนปัญจทวาราวชนะเสร็จแล้วก็ทุกขกายวิญญาณสัมปติชนะสันติระนาโวทพนาชวนะแล้วก็ตถารมณะเขาบอกว่าปัญจทวาราวชนะคืออุเบขาใช่ไหมสัมปติชนะอุเบขาสันติระนาก็อุเบขามโนทวาราวชนะหรือโวธพนาก็อุเบขาเวทนาส่วนในทุกขกายวิญญาณเป็น ทุกเวทนาอย่างเดียวไออุเบขาเวทนาหกเหมือนไม่มีเลยเหลือแต่ทุกบริสุทธ์เลยนะเจ็บล้วนนเลยก็บอกว่าไอเวทนาที่เหลือเหมือนเหมือนกับไม่มีอย่างนั้นมาเพราะฉะนั้นในอเวจีนรกเนี่ยเต็มไปด้วยทุกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นในในวิถีจิตทั้งหมดเนี่ยนะรับแต่ความร้อนอย่างเดียวอันจิตโทสะนี่ค่อนข้างมากแล้วก็อยู่ในนรกเหล่านั้น ถ้าอ่านอ่านพระไตรปิฎกนะถ้าเราใช้อัตถกาถาเป็นก็จะดูสลับไปสลับมาแบบนี้ทีนี้ถ้าหากว่าตรงไหนยา ก, ยากๆก็ดูดีกาเพิ่มอีกจะมีคำภีอีกชั้นนึ่งเรียกดีกาโดยความพิสูจนทั้งหลายเรานายนิรยาบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหารกก็มหารกนั้นแหลมีสี่มุมสีม่ประตูแบ่งไว้โดยส่วนเท่ากันมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นของนรกใหญ่นั้นล้วนแล้วด้วยเหล็กลุกโพลงแผ่ไปตลอดร้อยโยอ รอบด้านประดิษฐ์ถานอยู่ทุกเมื่อมั่นคงไม่หวั่นไหวเลยนะมันน่าจะพังไม่ได้อดีนะบางแห่งคล้ายๆกับว่าไอลาวาเนี่ยมันก็ไหลผ่านมาแถวนั้นน่ะนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายและมหานรกนั้นมีเปลวไฟเนี่ยพุ่งจากฝาด้านหน้าจอดฝาด้านหลังพุ่งจากฝาด้านหลังจอดฝาด้านหน้าไฟเนี่ยมันพุ่งเลยพุ่งจากฝาด้านเหนือจอดฝาด้านใต้พุ่งจากฝาด้านใต้จอดฝาด้านเหนือพุ่งขึ้นจากข้างบนเนี่ย จดลงข้างล่างอ่ะ น, นะพุ่งจากข้างล่างก็จุดลงข้างบนสัตว์นั้นจะสเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุด อ, อ, อยู่ให้มเข็ดเลยนอะดูกรพิสูจน์ทั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางคราวบางครั้งบางคราวอ่ะ น, นะโดยล่วงระยะกาลนานประตูด้านหน้าของมหานรกเนี่ยเปิดสัตว์นั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็ว ย่อมถูกไฟไหม้ผิวไหม้ผิวแล้วก็ไหม้หนังไหม้เนื้อไหม้เอ็นไหม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลบเลยนะไหม้เสร็จเนี่ก็พุ่งควันตลบเลยต่ออวัยวะที่สัตว์นั้นยกขึ้นแล้วก็จะกลับคงรูปเดิมทันทีโอ้เป็นทิพเนี่ยนะไม่ตายด้วยนะเผาปุ๊บกลิ่นไหม้ออกมาปั๊บเสกขึ้นมาใหม่เนะนี่ยเนรมิตโผล่ขึ้นมาปั๊บรับกรรมต่อใหม่และในขณะที่สัตว์นั้นใกล้จะถึงประตูประตูนั้นจะปิดลง คือวิ่งไปเนี่ยนะจะให้ไปทันประตูเปิดใช่ไหมวิ่งไปถึงประตูมันปิดแบบคล้ายๆรีโมทอย่างเ้ยนะเหมือนกับประตูเคยเคยเข้านะในห้างสปปรรพสินค้าสมัยใหม่เนี่ยนะพอเดินผ่านไปประตูปั๊บเนี่ยมันจะเปิดให้ใช่ไหมไอ้ น, นี่ไอ้ประตู น, นี้มันก็ประตูหลอกกันพอวิ่งไปถึงปับ๊บไปเหยียบตรงนั้นปับ๊บมันก็ปิดแง่เรียบร้อยเลยออกไม่ได้สัตว์นั้นก็จะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในมหารกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด แใ น, นข้อต่อไปก็คือเพียงแต่ว่าประตูด้านหลังเปิดบ้างนี้ประตูด้านที่ใต้เปิดบ้างประตูด้านที่เหนือเปิดบ้างข้อความเดียวกันนะประตูเปิดหลอกเห็นเหมือนกันไปถึงก็ปิดนี่ปิดอดเลยอ่ะก็บอกว่าอยู่อย่างนั้นแหละไม่ตายตราบเท่าที่บาปประกรรมยังไม่สิ้นสุดดูการพิสูจนทั้งหลายย่อมมีในสมัยบางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะกาลนานประตูด้านหน้าของมหานรกก็เปิด สัตว์นั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วย่อมถูกไฟไหม้ผิวไหม้หนังไหม้เนื้อไหม้เอ็นและแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลกแต่อวัยวะที่สัตว์นั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีอมาตะเพียงเนี้ย น, นะสัตว์นั้นก็จะออกจากประตูนั้นได้รีบก้าวพ้นออกมาเลยนะแต่ว่ามหานรกนั้นแหลมีนรกเต็มไปด้วยคูดใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านคายออกมาเนี่ยส่วมเต็มทลักแถวนั้นนีกนะ สัตว์นั้นก็จะตกไปในนรกคูดนั้นและในนรกคูดนั้นแลมีหมู่สัตว์เนี่ยปากดังเข็มคอยเชื้อเฉือนผิวก็บอกว่าปากเหมือนเข็มเลยกว่าตัวก็เน้องๆช้างลนละ้วแหละแล้วก็เชื้อเฉืนหนังแล้วก็เชื้อเฉือนเนื้อเชื้อเฉือนเอ็นเชื้อเฉือนกระดูกแล้วกินเยื่อในกระดูกโอโหมันกินลึกขนาดนั้นเลยเนาะ สัต์นั้นย่อมสเสวยเวทนาอันทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในคูตนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปรกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูความพิสูจน์ทางหลายและในคูตนรกนะผ่านคูตนรกไปอีกจะมีนรกอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่านรกเต็มด้วยเท่ารึงเท่าริงก็คือก็เหมือนกับที่เขาปิ้งไข่นะปิ้งไข่ก็ฐานจะอยู่ข้างล่างนะเอาเอาขี้เท่าปกปิดไว้ข้างบนอ่ะเขาเรียกเท่ารึงเท่าริงใหญ่ประกอบอยู่รอบด้าน สัตมนั้นจะตกลงไปในนรกเท่าเรึงนั้นสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกเท่ารึงนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปรกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูวยความพิสูจทั้งหลายและในนรกเท่ารึงนั้นยังมีป่าไม้ยิ้วใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านผ่านนรกนั้นไปอีกก็จะมีป่าป่าไม้นึกว่าจะเย็นอ่ะเนาะเป็นแต่เป็นต้นยิ้วต้นเนี่ยสูงชลูดขึ้นไปโยอหนึ่งมีหนามยาวสิบหกองคุลี ประมาณสิบหกนิ้วอะนะวัดดูเถอะมีไฟเนี่ยติดทั่วลุกโพรงชดช่วงเหล่านายนิรียบาลจะบังคับให้สัตว์นั้นขึ้นขึ้นลงล ง, ลงที่ต้นงิ้วนั้นสัตว์นั้นก็จะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ที่ต้นงิ้วนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปรกรรมยังไม่สิ้นสุดในเนมิรา ช, ชาดกกล่าวถึงว่าในขณะที่ขึ้นไปนั้นยังมีนกบางตัวอีกนะมาฆ่าอีก ดูการพิสูจทั้งหลายในป่าไม้งิ้วนั้นมีต้นไม้มีใบเป็นดาบหยาดใบแต่ละอันนี่ก็เหมือนกับดาบประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะเข้าไปในป่านั้นถูกใบไม้ที่ลมพัดเนี่ยตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือตัดทั้งเท้าบ้างก็เหมือนกับพวกเนื้ออยู่บนเขียงใช่ไหมถูกฉับฉๆ บ, บเข้าไปตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูทั้งจมูกบ้างสัตว์นั้นสเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบอยู่ที่ป่าต้นไม้ใบมีดาบและยังไม่ตายตราบเท่าบาปประกรรมยังไม่สิ้นสุดนะเราฟังเรื่องนี้แล้วไม่เชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อนรกก็ช่างเถอะไม่เป็นไรอย่าไปทําชั่วกันแล้วกันเพราะมันไว้สําหรับขังคนชั่วนะเราไม่ชั่วเราไม่ได้ไปอยู่แล้วอะ่ะแต่ชั่วก็พระก็ช่วไม่ได้พระก็ไปเลยใช่ไหมหลวงพ่อเทวทัศตยังไปก่อนเราเลยพระชั่วพระก็เสร็จเหมนกันนั่นแหละดูก่ารพิสูจทั้งหลายและป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบนั้น เลยนั้นไปอีกก็จะมีแม่น้ําใหญ่เป็นแม่น้ําดากก็คือเป็นแม่น้ําทองแดงนั่นแหละหรือชื่อหนึ่งเรียกว่าเวตทนีนรกประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นตกลงไปในแม่น้ํานั้นจะลอยอยู่ในแม่น้ํานั้นตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้างทั้งตามกระแสและทวนกระแสบ้างคือแล้วแต่ลมมันจะพัดไปนะสัตว์นั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในแม่น้ํานั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปรกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด ดูการพิสูจทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะพากันเอาเบ็ดเนี่ยเกี่ยวสัตว์นั้นขึ้นมาวางไว้ข้างบนบนบกเอาเบ็ดเนี่ยเกี่ยวขึ้นมาดูสิมันเป็นยังไงแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่รพ่อมาหาจำเริญท่านต้องการอะไรถามสัตว์นรกดูสัตว์นรกบอกอย่างนี้ข้าพเจ้าหิวเจ้าข้าเหมงอนกันนายนิรยาบาลจึงเอาขอเหล็กร้อนเนี่ยที่มีไฟติดทั่วลุกโพรงชดช่วงเปิดปากอ้าออกเอาคีมเหล็กเนี่ยงัดปากออก แล้วก็ใส่ก้อนโลหะก้อนคล้ายๆฐานแดงๆเหมือนกับฐานเพลิงใส่เข้าไปในปากนั่นแหละฝ่ายนี่ก็ร้อนลุกโพลงโชดช่วงเข้าไปในปากก้อนโลหะนั้นก็จะไหม้ริมฝีปากแล้วก็ไหม้ปากไหม้คอท้องของสัตว์นั้นแล้วก็พาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางส่วนเบื้องล่างสัตว์นั้นย่อมสเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ณที่นั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปรกรรมนั้นไม่สิ้นสุด นายนิยาบานควรเออที่น่าสงสารเราบ้างอะนะนายนิยาบานเนี่ยนะไม่สงสารเหมือนกับคนผ่าปลาเนี่แนแหละขณะที่ผ่าปลาในท้องปลาเนี่ยสงสารมันไหมไม่ฉันไดอ้อะนะก็พอกันนั่นแหละดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรานายนิยาบานจะกล่าวกับสัตว์นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจําเริญเจ้าต้องการอะไรสัตว์นั้นจะบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าระหายเจ้าข้าระหายก็คือกระหายนั่นเอง เหล่านาเนิยาบาลจึงเอาตะขอเหล็กร้อนมีไฟติดทั่วลุกโพรงชดช่วงเปิดปากออกแล้วก็เอาน้ําทองแดงร้อนมีไฟเนี่ยติดทั่วลุกโพรงโชดช่วงกรอเข้าไปในปากน้ําทองแดงนั้นจะไม่ริมฝีปากบ้างปากบ้างค อ, อบ้างท้องบ้างของสัตว์นั้นพาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางส่วนเบื้องล่าง สัตมนั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ณที่นั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปรกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูก่อนพิสูจทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลก็จะโยนสัตว์นั้นเข้าไปใ น, นมหานรกใหม่วนไปหารอบเดิมใหม่รอบสองรอบสามรอบสี่อยู่นั่นแหละนะลองลองเปิดอัตถาไปที่หน้าสองร้อยแปดดูนะในบาลีว่าปุณะมหานิริเยนับลงประมาณสี่บรรทัดนายนิรยาบาล ได้ให้ลงโทษเครื่องจองจำห้าประการตลอดถุงดื่มน้ําทองแดงอย่างนี้ตั้งแต่ดื่มน้ําทองแดงก็ให้ลงเครื่องจองจำห้าประการเป็นต้นอีกก็คือเวียนรอบกลับคืนไปใหม่แล้วก็โยนลงไปในมหานรกในมหารกนั้นบางตนพ้นเครื่องจองจำห้าประการบางตนพ้นครั้งที่สองบางตนเนี่ยก็พ้นครั้งที่สามบางตนเนี่ยก็พ้นด้วยการดื่มน้ําทองแดง ก็เมื่ อ, อยังไม่สิ้นกรรมนายเนริยาบาลก็จะโยนลงไปในมหานรกนั้นอีกพิกษูหนุ่มรูปหนึ่งได้เรียนพระ ส, สูตรนี้ก็คือพระสมัยก่อนท่านท่องอะ่ะท่านท่องเอาพระรูปนี้ก็มาท่องจนถึงนี้ก็พอมาถึงตรงนี้ปับ๊บก็เลยกล่าวว่าท่านผู้เจริญเมื่อสัตว์นรกเสวยทุกเท่านี้แล้วนายเนริยาบาลยังโยนเข้าไปในมหานรกอีกหรืออาจารย์บอกว่าใช่แล้วพิสูจ็กล่าวว่าท่านผู้เจริญอุเทศเอาไว้ก่อนเออเรียนคัมพียไว้ก่อนว่าไงท่านจงบอกกรร ม, มาฐานแก่กับผม ให้พระเถระบอกกรรมฐานแล้วก็เป็นพระโสดาบันแล้วก็อาศัยเรียนอุเทศก็คือท่านไม่ประมาทนะก็เรียนและอย่างหนึ่งข้างล่างนั้นอีกหน่อยหนึ่งว่าพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี่ไม่ละเวน้นพระพุทธเจ้าทุกองค์จะแสดงสูตรนี้เรื่องเคยมีมาแล้วดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพญายมได้มีความคิดอย่างนี้ว่า พ่อเจ้าประคุณเอ้ยเป็นอันว่าเราสัตย์ที่กระทำกรรมลามกไว้ในโลกย่อมถูกนายเนืยบาลลงกรรมกรคือลงโทษที่ว่าไปทั้งหมดต่างชนิดเห็นปานนี้โอ้หนอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์ขอพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงอุบัติเกิดขึ้นในโลกขอเราพึงได้นั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น พึงทรงแสดงธรรมะแก่เราและขอเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเถิดความปรารถนาของพยาลมของเราเนี่ยโหพยายมปรารถนานะเราเนี่ยสําเร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วยัง <c oughs> เขาบอกว่าพบคําสอนก็เหมือนกับพบพระพุทธเจ้านั่นแหละเจอพระพุทธเจ้าแล้วไม่เอาคําสอนกับผอๆก็ไม่เจอนั่นแหละอันหนึ่งนะขอให้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกสองให้ไปนั่งใกล้พระองค์สาม พระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมให้ฟังสี่ให้รู้ธรรมะของพระ อ, องค์นั่นเองพิสูจทั้งหลายก็เรื่องนั้นเราไม่ได้ฟังต่อสมณะหรือพราหมณ์อื่นๆแล้วจึงบอกก็แลเราบอกเรื่องที่รู้เองเห็นเองปรากฏเองทั้งนั้นพระ อ, องค์รู้ด้วยสัพพัญยุตยานพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสวยากรณภาสิทธ์ดังนี้แล้วครั้นพระสุคตผู้าศาสดาได้ตัดคาถาประพันธ์ต่อไปอีกดังนี้ว่านรชนเหล่าใด ยังเป็นมานพมานพก็คือยังหนุ่มอ่ะนะบอกเรานรชนเหล่าใดยังเป็นมานพอันเทวทูตตักเตือนแล้วประมาทอยู่นรชนเหล่านั้นจะเข้าถึงหมูสัตว์เลวเศรษฐโศกอยู่สิ้นกะละนานที่ไปของคนชั่วนะส่วนนรชนเหล่าใดเป็นสัตว์บุรุษผู้สงบระงับในโลกนี้อันเทวทูตตักเตือนแล้วย่อมไม่ประมาทในธรรมะของพระอริยะในการไหนไหนเห็นภัยในความถือมั่น ว่าไอ้ทั้งหมดนรกมีเพราะอะไรเพราะมีความถือมั่นนั่นแหละความถือมั่นนี่แหละเป็นเหตุแห่งชาติชาราและมรณะถือมั่นแปลเป็นบาลีว่าอุปาทานอุปาทานอุปาท า, า, านก็คือความถือมัน่นอุปาทานมีกี่อย่างมีสี่อย่างกามุปาทานหนึ่งสองทิฏฐุปาทานสามสีละพัตุปาทานสี่อัตวาทุปาทาน เพราะฉะั้นสภาวะของเขาก็คือสองอย่างนั้นก็คือโลภะกับทิฏฐิเท่านั้นเองนะอุปาทานก็คือโลภะกับทิฏฐิอันโลภะหรือตัณหานั่นแหละทิฏฐิคือความเห็นผิดนั่นแหละเป็นตัวเหตุแห่งความเกิดและความความแก่ความเกิดและความตายถ้าหากว่าผู้ที่ละตัณหาและทิฏฐิได้ก็เป็นผ้าหันใช่ไหมไม่ต้องเกิดอีกอะ่ะพอไม่ต้องเกิดอีกก็ไม่ไม่มีภพไหนที่จะให้ไป เสวยสุขหรือทุกข์ต่อไปเองเพราะฉะนั้นเหตุแห่งความเกิดทั้งหมดก็คืออุปาทานหรือความยึดมั่นนั่นเองทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่หมดอุปาทานน่ะเวียนพ้นนรกไหมศึกษาพุทธประวัติในชาดกหลายเรื่องขนาดปราถนาเป็นพระอรหันตตสัมมาสามพุทธเจ้าก็ยังวนอยู่แถวนรกอ่ะหลายชาติด้วยกันนวนอยู่หลายชาติอย่างเช่นเหมือนกับชาติก่อนที่จะมาเป็นพระเตมีใบ นั่นก็เพิ่งพ้นมาจากนรกแล้วก็ชาติที่ในอดีตอดีตอะ่ะเหมือนที่เราเรียนเรื่องในอัปทานนะใช่ไหมนั่นก็ไปนรกมาเป็นพันๆปีอะ่ะแล้วก็กลับมาอีกนั้นอากุศลก็ยังตามมาให้ผลแม้กระทั่งตอนที่เป็นพระผู้มีพระภาคแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ถือมั่นหลุดพ้นในธรรมะเป็นที่สิ้นชาติชาและมรณะได้ คืออ บ, บรมเรื่องปริญญาสามสัมปชัญญะสี่เป็นต้นจนถึงกับเป็นพระอาหารหันต์เมื่อเป็นพระอาหารหันต์ก็พ้นจากชาติและมรณะได้นรชนเหล่านั้นเป็นผู้ถึงความกเกษมมีสุขดับสนิทในปัจจุบันล่วงเวรและภัยทั้งปวงเข้าไปล่วงทุกข์ทั้งปวงได้เชื่อนะว่าผู้ที่บรรลุอริยสัจเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะอบายเนี่ยปิดแล้วปิดอบายได้ตลอดการด้วยนะตลอดการแล้วก็ตลอดไป ขอให้เห็นอริยสัตว์เป็นครั้งแรกเป็นพระโสดาบันเถอะแต่ว่าพระโสดาบันนี่ต้องผ่านปริญญาสามไม่ใช่โอ้อยู่ๆจบโสดาบันในขอมั่งเนอะถ้าขอกันได้นะพระพุทธเจ้ายกให้เรามาแล้วแบบนี้แต่ว่าต้องเจริญต้องอบรมต้องประพฤติปฏิบัติเองนั่นแหละปริญญาสมเนี่ยที่จริงเขาก็อยู่ในอบายอ่ะเขาก็เป็นผลของกรรมนั่นแหละที่ทําให้เขาต้องไปอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นกรรมบอกนายนิยาบาลก็คือมันคล้ายๆกับพวกเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะเนะ นายนิยาบานไปอยู่ที่นั่นก็ตัวเองก็ไม่ได้สนุกอะไรไม่ใช่ว่า น, นายนิยาบานเนี่ยหนังเหนียวใช่ไหมนรกไม่ร้อนมันก็ร้อนเหมือนกันนี่นแหละแต่ว่าเป็นลักษณะแบบประเภทปวกคลุมทั้งหลายแหล่นะอาจารยอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าทําไมวีรติเจชะศิกถึงเข้าไม่สม่ําเสมอเนี่ยและเหตุใดที่ไม่เข้านะคะก็จะได้หาทางแก้ไขตรงนั้นนะเพราะไม่คิดเออวันนี้คิดถึงศีลกี่ครั้งแล้ว ให้ทานเออทานตั้งแต่เช้ามาคิดเรื่องศีลกี่ครั้งแล้วเขาบอกว่าถ้าตอบว่าไม่คิดเลยเออนั่นแหละศีลมันก็ไม่เข้าเหมือนกันเ่ะไม่คิดถึงก็ไม่เข้าอ่ะถามว่าทําไมไม่คิดอ้าวก็ทําไมอ่ะนี้่ไม่รู้จะถามใครแล้วก็คือแง่ปารลบไงแง่ปารลบว่าปารลถึงศีลไงสมมติว่าปารลบว่าศีลก็คือหนึ่งสมาทานกับสามปฏิปปารลบในหนึ่งก็คือเออเราได้ล่วงข้อไหนบ้างใช่ไหม ปารอบในแง่นี้หรือว่าถ้าไม่ล่วงก็เ อ, อรักษาต่อไปนะสมาทานให้มั่นคงอีกคล้ายๆก็ตอกย้ําในกุศลอันนี้บ่อยๆก็คืออย่างน้อยที่สุดให้เช้าเย็นก็อย่างนี้ตอนเช้ามาก็ปารอบทา่านหน่อยก่อนนอนก็ปารอบอีกครั้งหนึ่งถ้าไห น, น, นล่วงละเมิดไปแล้วก็เอาใหม่สมาทานใหม่ก็คือถึงเสียใจไปงก็มันก็ผ่านไปแล้วอ่ะอากุศลมันก็ดับไปแล้วอ่ะทัานไม่ควรที่จะไปพะวงในลักษณะให้เฝ้าหมองแต่ทีนี้พยายามปารอ บ, บ่อยๆ คือปารพในลักษณะ น, นี้บ่อยๆเราก็ได้เจริญกุศลแลรทำส่วนอื่นๆถ้าหากว่าเราเจริญได้ดีก็ปารพถึงความไม่ขาดไม่ดงังไม่พร้อยไม่ทะลุในศีลของเราเศรษที่เหลือเราก็จะได้ปารพกุศลส่วนอื่นๆนะเช่นการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์หรือว่าพิจารณาธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งถ้าหากว่าผู้ที่ปารพอย่างนี้บ่อยๆนะจะทําให้ปารพบกุศล หรือไม่ก็เอาพระสูตรหรือว่าท่องพระสูตรสักสูตรนึงท่องไว้เวลานึกถึงก็ได้นึกถึงพระธรรมของพระผู้มีพระภาคแต่ละหมวดแต่ละหมวดถ้าหาว่าไม่อย่างหนึ่งก็อาศัยฟังเทปเอาก็ได้อ่านหนังสือเอาก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ควรที่เราจะตรึกตรองไค้โครวนได้เองก็คือสา ม, มารถที่จะทรงจําพระสูตรได้สักสูตรเป็นต้นก็ยังดีก็ตรึกถึงพระสูตรนั้นบ่อยๆขอให้พระสูตรที่เรานึกแล้วเราสบายใจพยายามลองอ่านพระไตรปิฎกนะ สูตรไหนที่เราอ่านแล้วชอบอ่านแล้วมีความสุขก็จำสูตรนั้นแหละแล้วก็คิดถึงสูตรนั้นบ่อยๆถึงพระพุทธพจน์เหล่านั้นบ่อยๆ อ, อันชีวิตของเราขณะนั้นก็เชื่อว่ามีสาระมีที่พึ่งแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะเราก็สาธุกระแสมีตั้งหลายอย่างนะแต่ไหนมีคาถามอีกไหมสังเกตดู ว, วันนี้นะครับไม่มีใครง่วงหรอครับ <laughs> มันร้อนอะน่ากลัวที่สุดอะโดยเฉพาะ ก, กรรมกรนัะนๆฮะยี่สิบหกข้อนะที่ไม่น่ากลัวก็มีอีกสองอันนั่นนะข้อหนึ่งกับข้อยี่สิบหกตรงนั้นน่ากลัวทานั้นเลยถูกเขียนนะไม่น่ากลัวก็ยังดีกว่าถูกตัดโอหอะไรเฮยถูกเขียนก็คือฟังพระสูตรนี้นะครับคิดว่าคงจะต้องเตรียมตัวตอบคําถามให้แก่พยายมต่อไปนะครับเออถ้าหากว่าคนที่มีบุญมากนะไม่ต้องผ่านตำแนักพยายมนะ สมมติถ้าหากว่าก่อนตายนะมีคตินิมิต ท, ที่ดีใช่ไหมกรรมกรรมนิมิตคตินิมิต ท, ที่ดีปั๊บเนี่ยนะจุติปั๊บปฏิสนธิที่เทวโลกชั้นใดชั้นหนึ่งเลยไม่ต้องไปให้พญายามซักฟอกอะไรหรอกที่ซักฟอกนี่ก็คือไอ้บุญกับกรรมเนี่ยนะไอ้ ก, ก, รรนะไอ ก, กรรมที่มันชัดๆก็ไม่ไม่ชัดอ่ะไอ้บาปที่ใหญ่ใหญ่มันก็ไม่มีชัดๆัดอะไรบุญใหญ่ใหญก็ไม่ได้ทําอะไรอกีกทีนี้พอไปอยู่อย่า ง, งา น, นั้นปะั๊บเนี่ยนะทีนี้ไอ้กรรมที่เป็นอปปราปิยะเวทนียกรรมอะ ชาวนะดวงที่สองถึงดวงที่หกในอดีตนะมันรีบผลมาให้เลยอ่ะโอ้ในอดีตเนี่ยนะเคยทําอะไรไว้บ้างเนี่ยนะมันประมวลให้นะคือมันประมวลให้มันก็เหมือนกับโจเนี่ยนะถูกตํารวจจับได้ปั๊บเนี่ยคดีเท่าไหร่เนี่ยเปิดแฟ้มเลยประมวลให้ครั้งเดียวเลยแต่ถามว่าพอให้เสร็จถามว่าสัตว์นรกมีความคิดไหมมีไห ม, มสัตว์นรกเจ็บไหมจิตชนิดไหนรู้เจ็บโทสะใช่ไหมเอาไงไงสัตว์นรกมีชาวนะไหม มีชาวนะประเภทไหนเอาถ้าเจ็บเนี่ยสนุกไหมยิ้มไหมอ่ามันส่วนใหญ่ก็เป็นโทสะใช่ไหมโทสานี้ทํากรรมใหม่ใช่ไหมหรือกรรมเก่ากรรมใหม่เพราะฉะนั้นอยู่ในรกก็ไม่ใช่ว่ารับผลของกรรมเก่าด้วยทํากรรมใหม่ด้วยพ่านพ ร, ะ, ะ, นนพระองค์จึงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ไปสู่อบายเนี่ยนะที่จะพ้นมาจากอบายคืนเนี่ยยากเพราะอะไรเพราะว่า ในหมู่สัตว์ในอบายเนี่ยที่เป็นกุศลจิตเนี่ยเกิดยากเป็นทีพฝันคนที่รีบพ้นมาจากนั้นเลยนะสมมุติว่าไปนรกเพิ่พ้นมาเลยก็คือคนนั้นเนี่ยบุญค่อนข้างมากคือเขาก็ทําทั้งบุญทั้งบาปใช่ไหมเพราะบาปเนี่ยให้ผลไปอยู่ในนั้นก็อยู่ไม่นานก็พ้นมาคืนเสร็จก็สปีดหมายอะเร่งเครื่องนี้แต่ทีนี้กรรมไปอบายก็ดูว่ากรรมไปอาบายอะไรบ้างล่วงกรรมบวชไหมกายกรรมสามมจีกรรมสี่มโนกรรมสามนั่นแหละกรามที่ให้ไปสู่อบาย ไอ้ส่วนกรรมที่เหลือเนี่ยมันไม่ให้ผลนําเกิดแต่ให้ผลในประวัติการก็คือหลังจากเกิดไปแล้วอะ่ะก็จะไปช่วยสมมุติว่าอากุศลให้ผลปั๊บนะอกุศลบางอย่างก็เข้าไปทําอุปธ ร, รมภร ก, กรรมเลยเข้าไปอุปัรรมให้มันเจ็บมากๆเจ็บนานๆเจ็บที่สุดเท่าที่จะเจ็บได้อะไรงี้นะถามว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากไหนความทุกข์ทรมานเหล่านั้นไปจากไหนรู้ไหมความคิดของเรานั่นแหละวันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือ ความคิดของเรานั่นแหละถ้าหากว่าผู้ใดสำรวมระวังรักษาความคิดได้คนนั้นพ้นจากบ่วงมานถ้ารักษาความคิดได้พ้นจากความทุกข์ทั้งหมดแหละพ้นนรกด้วยถ้ารักษาความคิดได้แต่รักษายังไงอ่ะรักษาให้มันคิดมันยังไงก็ต้องคิดอยู่แล้วไม่คิดดีก็คิดชั่วพระองค์บอกว่าไหนๆก็คิดแล้วให้คิดเรื่องอริยสัจเถอะแล้วคนเลือกคิดได้เลือกเกิดได้ด้วยเอาทำยังไงเราจะเลือกคิดได้เนาะ พันพยายามหาอุบายวิธีอื่นๆบ้างอ่านพระไตรปิฎกบ้างหาหนังสือธรรมะที่แต่ว่าหนังสือธรรมะนะก็ก็บอกนิดหนึ่งว่าขอให้เป็นหนังสือที่ตามแนวพระไตรปิฎกเพราะถ้าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยไปอ่านหนังสืออะไรไปที่ไหนอีกก็ไม่รู้พันยุคนี้เนี่ยสัพท์ธรรมปฏิรูปค่อนข้างมากจริงๆพระองค์บอกว่าตราบใดที่ทองคําเกไม่ออกตลาดนะทองคําบริสุทธิ์ก็จะมีตราบนั้นชั้นใดตอนนี้ก็ธรรมะเกเนี่ยออกมาค่อนข้างมาก ถ้าเราไม่มีโอกาสได้ศึกษาพระไตรปิฎกนะก็ตรงเนี้ยตัวใครตัวใครแล้ตวตัดทั้งหลายมาด้วยบุญของของคนนั้นนั้นนั้นใครมาเขาทําบุญมาดีก็ไปดีไปแต่ของเราเนี่ยเราต้องเลือกเอาแหละก็เหมือนกับทานอาหารเนี่ยต้องเลือกทานและศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันต้องเลือกศึกษาถ้าเราไม่สามารถที่จะแยกแยะข้อมูลในการศึกษาได้ก็ไม่มีใครช่วยเราได้สังสารวัตรนี้ไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตเรานะ สังสารวัฏนี้ไม่มีใครรับผิดชอบความคิดของเราไม่มีใครรับผิดชอบบุญบาปของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนั่นแหละคือของเราแท้ๆเลยอันจะทำแล้วก็ให้เลือกเลือกหน่อยวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้